ดเลนพรท่านสาธุชนุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาเช่นเคยเราก็จะไปบุคคลสำคัญบุคคลแรกก็คือเด็กชายพีเคคาประจํานักการ้าจานางวันส ก, กันเ้าขาว เป็นครับวันนี้ไปโรงเรียนนะหรือเปล่าครับพราจารย์เดี๋พุ่ง น, นี้พ่อจะมาจะกญี่ปุ่นครับพระอาจารย์อ่าดีใจไหมดีใจครับพราจารย์อ่าบอกให้พ่ออะไรมาฝากหรือเปล่าอืมเอาของเล่นแหวกมาฝากครับนะบอกบอกไว้ตรงหน้าก่อนได้ไอยากจะได้ไจากคุณพ่ออืม อยากได้ของเล่นชิงช้าที่มันเป็นแบบเหมือนมันเป็นดาบที่มันมีหัวหมาปลายอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเราจะไปทําอะไรครับเดี๋จะเอาเอาไปเล่นคาปาเจนเนี่ยเล่นแล้วสนุกไหมสนุกคาปาเจนเล่นยัใครเล่นคนเดียวเลย แต่ค่ะพอาจารย์เวลาอยู่บ้านเวลาที่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ทำอะไรบ้างนะก็แค่เล่นๆค่ะพรอาจารย์อยู่คนเดียวได้ไ้ยเหงาไหมได้แค่นิ่เดียวคับพรอาจารย์ <laughs> อ่ามีอะไรอยากจะถามไหมครับ ไม่มีครับอาจารย์แต่ตัวดีเลยตัวดีเลยชอบกินอะไรชอบทำด้วยน้ำคุลอะได้ย่างเดี้ยอด็กอีครบอกอาจารย์เลยสัญญาด้วยอาจารย์แล้วที่มัน อ่าเชื่อฟังแนะไม่ดื้อ น, นะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับพระอาจารย์หนูจะมีความสุขแล้วไ่าเวลาทําความดีแล้วหนูจะมีความสุขจริงไหมจริงครับโอเคครับพระอาจารย์ลูกศิษก็ไม่ค่อยยินดีนะฮะเพิ่งโดนเทศนาไปค่ะ <Yeah. S 2> เทศนาเพิ่งโดนดุไปใช่ไหม ที่สนอกเงกระดูกไงคะ่ะสอนเขาซื้สอนไม่เอาพูดกับพ่าจันนีดีกันลูกอือย่างนี้เขาเราไม่ดีแล้วเนี่ยอะไรไหมไม่ฟังคุณครูต้องทำตัวให้เรียบร้อยเข้าใจไหมอย่บอกพ่อจันที่ที่ไปโรงเรียนลูกจะสัญญาว่าลูกจะเป็นอย่างไงเป็นเด็กดี เ, เด็กดีต้องทํางไงบอกพ่อาจันเลยไม่ต้องสัญญากับเจ้า ดีเวลาคุยกับพ่อต้งพนม ม, มือเหมือนคุณแม่นลยพนมมือเป็นอันนะครับแม่อมพนมมือพนมอบอกบเสเสีเอเวลาคุยกับผู้ใหญ่คุยกับพ่อเนี่ยต้องพนมมือนะแสดงความเคารพพใจไหม<ะ> <Okay. S 2> โอเคโอเคเลยพ่อใจพ่อจะมาพรุ่งนี้เหรอใช่ค่ะพ่อใจโอเค ไปเนืงมีความสุกมากมากนะเวลาเจอกันพ่อก็อนุโมนก็กับช่อใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโรงเรียนเขามีงานวันอะไรนะคะวันพ่อใครพาพ่อไปเขาจะได้กินโดนัทค่ะ<อ>ทีนี้เขาไม่มีรับไม่มีพ่อไปด้วย <c oughs> ใช่ค่ะแล้ว ตอนนอนเขาตื่นมาแล้วเขาก็ร้องห้าใหญ่เลยเขาบอกว่าทำไมคนอื่นได้กินหนูไม่ได้กินหนูก็บอกว่าจะบอกยังไงดีนะก็บอกไปความจริงแบบนี้แหละบางทีคุณพ่อก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่ค่ะยังไม่ได้บอกเขาเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวนะคะก็แค่เขาก็คิดว่าเราทำงานอยู่ทางนน้นเราทำงานอยู่ทางนี้เช่–ๆนยคะอ่าก็ไม่เป็นไร Okay, เราคือไม่โอเคเขาจะเข้าใจเองอธิบายเขาตอนนี้เขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอืโกหกก็ไม่ดีใช่ไหมคะตีก็เลยเลี่ยงอบอกดีกว่าอาไม่ต้องบอกค่ะค่ะอาจารย์ก็พยายามทําใจตอนเมื่อวันที่เขาลองให้หนูก็แบบว่าอืมสติก็ไม่อยู่เหมือนกันคะ่ะคือบอกโอ้เราทํำบาป ก, กับลูกหรือเปล่านะ่ายัง สงสารเขาเลยค่ะไม่เกี่ยวเขาเขาเป็นเพียงแต่เป็นผู้ที่เป็นหูุ่คนที่สามที่มาเกี่ยวข้องด้วยแต่เราไม่ได้ทํากับเขาโดยตรงค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะน้นําไปปฏิบัติจะค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะกรุงเทพที่ชนบุรีวันนี้ที่ไม่ได้ไม่มีฝนเลยอตอนนี้ฟ้าแบบฟ้าแรงมากเลยค่ะพระอาจารย์เอ่า็ระมัดร ะ, ะวังนะค่ะพระอาจารย์ รักษาทาตัขานให้แข็งแรงนะเจ้าค่ะจ้าาาับคุณค่ะไปที่จะแม่จอดยัดที่ครับครับคุณอาจารครับเป็นไงสบาดีไหมครับก็สวัสดีครับมีความสุขมากกับความทุกข์ไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะเวลาคุณแม่ว่านีนทุกน่อสุขก็รับฟังครับ อ่ารับฟังนะอ่ะตรงแม่เขาบอกของดีให้เราเอถึงแม้เราจะไม่ชอบเราก็ต้องเราก็ต้องเชื่อเพราะว่าแม่รักเราครับแม่ บ, บอกอะไรเรานี่หมายถึงเขาให้ของดีกับเราอ่ครับโอเคทำไงต่อวันนี้ ม, มาส่งกันนะบ้างครับอ่ส่งมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะลราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพรักพลาดจากของัของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทํากรรมใดไว้เป็นรูปเป็นภาพเราจะเป็นใครยากถือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเราท่างหลายควพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอิดพิจารณาทุกวันนะล่าก็พยายามพิจารณาครับอ่าพิจารณาว่าโกหกตัวเองเนลยส่งการบ้านแต่ไม่ทําการบ้านครับช่วงอาทิตา์นี้ไม่ได้ทำเลยครับอืา พยายามพัจารณาทุกวันก่อนนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาก็เนี่ยให้ท่องบทนี้ไว้รับะแล้วก็ท่องเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ยากหรอกพยายามทําให้มันติดเป็นนิสัยมันจะได้ไม่ลือแล้วก็ตามด้วยอาการสาสีสองของร่างกายไปด้วยแค่นี้ก็ได้ได้ปัญญาเยอะแยนะแล้วสามารถรักษาใจเราไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกข์ได้ ครับโอเคร่างกายนมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี้อในกระดูกม้ามวใจอับถังเืิดไตปอดเส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนื่อสัสีสัตว์น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลือง น้ำเลือดน้ำเงอน้ำมันคนน้ำตาน้ำมะเหลียวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมเหลียวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดียี่ในสองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ ปอดไตผังเหืดตับหัว <ผม S 1> ใจม้ามแง่ในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันและขน ผ, <ล>ผมพยายามนึกถึงภาพเหล่านี้ให้มันจดจำไว้ในใจนะครับจะช่วยรักษาใจเราให้อยู่ในความสงบไม่เกิดความฟุงส่าน ไปรนกคนนั้นรักคนนี้<ะ>เห็นแล้วจะไม่รักใครนะรักแบบเป็นมิตรกันรักแบบเมตตาแต่จะไม่รักแบบเป็นแฟนกันเข้าใจไหมครับ<ะ>โอเคมีคําถามอะไรบ้างไม่มีครับไม่มีก็ท่านี้ก่อนนะครับกราบรับคุณพระอาจารย์ครับอ่าไปที่น้องเทมกับคุณฝนแม่ฝน ตามนมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงน้ทีุดไบ้าครับเออที่อยู่คนละภาคนะเมื่อก่อนอยู่อีกด้านหนึงไม่ใช่เลยใช่วันนี้นั่งสลับด้านค่ะพระอาจโอเคมีอะไรบ้างครับเออช่วงนี้ก็นั่งสมาธิได้มนกันสุด้อยลงครับน้อยลงนะคิดว่าจะมากขึ้นไม่จะก้าวหน้ากับทอยลังนะกับน้อยลงครับเพราอะไร วันหนึ่งที่ไม่ได้ดนั่งรับมีวันเสาร์ไม่ได้นั่งรับอาทิตย์นี้อเอราพอเห็นได้เพราะว่าห้าทุ่มแล้วก็เลยยังไม่นดนัด่ครับอ่าทำไมไม่จำเวลาที่เราจะต้องนั่งอ่ะรืมเล่นอยู่อนะอสแสดงว่าไม่มีสติอเกินกับอารมณ์ที่ อชาติจูงเราให้ไปทํานู่นทำนี่ เ, เราต้องมีสติเตือนตัวเราว่าวันนี้เวลามีนัดกับพระพุะทธธรรมประสงค์นะอราจะประกาศพระพุะทธธรรมพระสงค์ในการปฏิบัติบูบชาอาในการนั่งสมาธิ เ, าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเจ้าบอกบูชามงคลที่สําคัญกับการบูชาอาืเป็นมงคลอย่างยิ่ง นำความสุขมาให้กับเรานำความเจริญมาให้กับเราครับพยายามอย่าอย่าลืมนะอาทิตยน้าต้องดีกับอาทิตย์นี้นะใช่ไหมจะพยายามแบบแล้วนั่งได้ผลกี่นาทีอประมาณห้าสิบนาทีนะค่ะออกวันได้าสินาทีรวมค่ะรวมรวมทั้งอาทิตย์จ้ค่ะถ่ายไปวันหนึ่งค่ะ เกือบสิบนาทีเลยนะถึงไหมกับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้วันหนึ่งก็นั่งได้เกือบสิบนาทีค่ะพระอาจารย์เนีค่ะนั่งยังไงสวดมวนต์ไปแล้วพุโทโธไปแล้วาาาท่ารกษาสามสิบสองไปเออสามสิองกนะ็ท่ารักษสาองไปจําได้แล้วใช่ไหมเออไม่เคยได้เท่าไห ร, ร่คับแต่ก็ได้ทีเดียวค่ะอ่าพยายามทําให้จําได้ ท, ไดทั้งไปทั้งกลับนะ มันนี้ไปรอดคอะพยายามทำไปสติจะได้ดีขึ้นคสติมากขึ้นใจก็จะนิ่งมากขึ้นได้ค่ะใจนิ่งมากขึ้นก็จะมีความสงบมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงเข้าใจไหมอาจรอารย์อตอนนี้กําลังมีความทุกข์อยู่ค่ะพระอาจารย์ทุกเขาทุกที่พอดีพี่ชายที่เขาสนิท ด, ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เขาจะกลับบินกลับเรียนตต่อที่อังกฤษเขาก็เลย มีความเศร้าใจหนุมก็เลยบอกว่าเนี่ยถึงให้ฝึกท่องพุทโธกับท่องอาการสันสิบสองเพื่อที่ว่าจะได้แบบไปใจจะได้ไประโยชน์ตรงคําภาวนาะจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็บอกเขาแบบนี้ไป<ร><ร>อมีการท้าทาจากกาันเป็นธรรมดาเรามม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดน้อง แ, แม่คุณพ่อพี่ชายคนทุกคนที่เราอยู่ด้วยไม่ช้าก็เลยก็ต้องจากกันไปเป็นธรรมดา ถ้าเราเตรียมใจไว้เราก็จะไม่เศร้าก็จะไม่ทุกข์ไม่อาคิดอยู่เลยอันนี้เป็นพี่ชายแท้ๆหรอไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะแต่ว่าก็อยู่บ้านเดียวกันนะค่ะก็สนิทกันนะคะอันนี้กลับเพียเดียวปิดเทอมกลับมาเขาก็เล่นด้วยกันตลอดเลยก็เลยจะติดพี่ชายเขาบินกลับไปทีก็จะเศร้าแบบนี้ทุกทีอ่ะค่ะถ้าท่องบ่อยๆจำบ่อยๆแต่มันจะไม่เศร้าะ แต่เต็มตัวเต็มใจไหมก็ต้องต้องบอกว่าเขาก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเหมือนที่คอยบอกพระอาจารย์นะคะว่าสังเกตตลอดอาีิตที่ผ่านมาแบบบางช่วงเดี๋ยวนี้โดนคุณแม่ดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับฟังคือนิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์นิ่งนิ่งิ่งคุมได้ดีกว่าคุณแม่ค่ะอันนี้ อาจจะเป็นเพราะเขาได้นั่งบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีกําลังขึ้นในการที่จะนิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ฝึกไว้เรื่อยๆยังมีการพัฒนาการให้ไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้อย่าหยุดพยายามทำทำให้มากขึ้นต่อไปก็สักสิบห้านาทีไว้ต่อไปตามพวกพี่จะแม่กัจจแพทยที่ให้ทันนะครับจะไปสี่สิบนาทีแล้วเนี้ย สี่สึบนาทีเอาสิบนาทีให้นิ่งเนาะค่อยๆสิ่เลยสเต็ปค่อยๆไปเดี๋ยวก็ถึงนะลูกทำรายการทีสองไม่ได้เรื่อยไหนก็ได้โอเคมีอะไรอีกไหมะอาจารย์ค่ะก็พอขอบคุณจ้าทุกท่านไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงเจ้าค่ะอ่น้องพีก่อนจะหลับเรื่องน้องพีมาก่อนทําท่าจะหลับตอนนี้ เวลาเข้าห้องนี้รู้สึ ก, กจะซึมเลยนะแต่เข้าห้องเกมนี้รู้สึกจะตาลุกเป็นไฟเลยนะไปหาคุณยายตีก็โหจัดเลยโทรศัพท์อืมเวลาสั่งก็งนั่ง น, นั่กนะ่อนแล้วพ่พูดไม่ได้พูดไปเถอะพู ด, ดพูดไม่ได้เต็มที่พูดไม่ได้เต็มที่ปากแห้งนะ้ำไม่ค่อยกิน ตาครีมก็แสบก็เรื่าผ่านแค้เจ็บก็เป็นธรรมาาา ด, ดาค่ะเร็วๆใชมลูกมีอะไรจะมาถามหรือจะเล่าให้ฟังไหมวันนี้เรื่องอะปล่าหลงตาได้ไงนะพนมมือหลงตารู้ได้ยังไงนะเขาตาอบพนมมือคุณสิมีอะไรจะเล่าค่ะเมเมื่อวานนี้หูฉีกอ่ะ หูไม่ได้ฉีดโด น, นพันลมปั่นเ ป, เป่าที่หูค่ะเนื้อหลุดเลยเลือดหยดเยอะเลยค่ะเป็นอยู่ใกล้พัดลมเข้าเลยเอาอพัดลมมาเป่าที่ปากนะค ะ, ะแล้วก็แบบเผลอคุยไปคุยมาแล้วมันก็เข้าจะคันหัวแล้วเขาไปจี้เลยแล้วพัดลมไม่มีอไ อ, ไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอไ้ตะแกงกัน มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าหน้าทางจะหูใหญ่พอดีมันคงน่าจะเอียงเข้าไปแล้วใบพัดมันก็แบบแหลมอะค่ะมันก็เลยปั่นใบใบพัดเอตัวที่มือจับอะค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยอ๋อแล้วผมว่าตอนตอนนอนปั่นทําไมไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเลยแต่ทายาทําไมมันแสบจ้ะแล้วมันชาาหูมันมันโอ้ยประมาณเซนหนึ่งได้เลยค่ะเนื้อหลุดเลย <Okay. S 2> ไม่ต้องโชว์หรอ <laughs> โชว์ตลอดเนี่ยไม่มีสติไม่ทำอะไรแบบไม่มีสติพังเพ อ, อวันวันวันนี้เพื่อนให้ของของเล่นเป็นเป็นหุ่นหุ่นหุ่นคนเป็นแบบแบบนี้หนูหนอเห็นหนูก็รู้สึกนึกถึงหลวงตาที่ ส่งตาให้ให้หนูท่องพิจารณาสังขารครับครับว่ยังไงเหมือนกันแนะเหมืนอนโครงกระดูกอะครับใช่ไหมมันคล้ายๆค่ะหุ่นยนต์นะค ะ, ะมันก็เขาก็มองเป็นแบบกระดูกอย่างเงี้ยค่ะลุงพ่ร่างกายแล้วก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ดีๆเนี่ยต้องออกหางไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้รู้ไหมร่างกายเราเหมือนตัวหุน่น หุนนี้มีตัวเราอยู่ในร่างกายมีเราอยู่ในตัวหุน่นไหมไ้ยิยนหรือปล่าค่ะถามมีไหมอ่าหน้ากายเราก็เราก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนะี่เชื่อไหมค่ะเชื่อเปล่าเชื่อเราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่โลกมนุษย์อยู่ที่โลกมน่ใช่อยู่ที่โลกทิพย์โลกของดวงวิ ญ, ญญาณจิตเราเป็นดวงวิ ญ, ญญาณ แค่มีรูปร่างหน้าตาแค่ม<ห>วิญญาณมามาอาศัยร่างอตอนนั้นเองอมาเกาะมากเกาะติดกับตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่วันยนึงก็ต้องแยกทางกันเพราะร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ไปตลอดรู้ไหมอืม นะอย่าไปเถือว่าร่างกายเป็นตัวเรานะเถือว่าเป็นของเป็นหุ่นที่เราเอามาใช้เอามาเล่นเหมือนกับหุ่นที่ที่ที่หนูได้มาเนี่หนูว่าเอาหุ่นมาทําอะไรหุ่นมาทำําทำอะไรคบหุ่นอะไระลูกตาถามเอาหุ่นมาทําอะไรหุ่นมาเล่นค่ะองานงา น, น, นกายเราก็เป็นหุ่นนั่นกันใช่ไหมเหมือนกระดูกนะครับก็มองว่าไม่เหมือนกระดูกมากเลยหมาม้า หนูก็เลยนึกถึงที่หลวงตาสอนได้ยังการทที่สองได้ใช่ไหมท่องให้หลวงตาฟังหลวงตาค่ะไม่ต้องท่องหรอเดี๋ยวเสียเวลามากอ๋อค่ะได้หรือเปล่าได้และทั้งไปทั้งกลับหรือเปล่าทั้งกลับไม่ได้ค่ะแต่ท่องไปได้หมดแล้วค่ะท่องไปได้ยี่ค่ะท่องกลับด้วยท้องกลับก็ติดนิดนิดนะคะต้องใช้สติมากขึ้นในการท่องกลับ ล้วต่อไปสติเราจะดีกับคนเหนึ่อยนะถ้าทํองไปกลับได้นี่เห็นไหมป้าจัดเมื่อวันเสารไปไปทำบุญอา่าลงศพกับผ้าดิบทั้งหมดห้าชุดจะ้ะค่ะครอบครัวไปทำไปที่ปอเทคตึงค่ะหลวงพ่อบ้านสุดท้ายของพวกเราลงศพนี่คือบ้านสุดท้ายพวกเราใช่ค่ะใช่มมไม่ต้องใหญ่โตเลยนะบ้านสุดท้ายนี่ ใช่สิ้นเปลืองค่ะเป็นไม้ธรรมดาก็พอแลอ้วแล้วยังไงก็เผาไปอยู่ดีค่ะแต่เวลาอยู่นี้โอ้ยต้องบ้านใหญ่โตมาเวลาเนอะมันเป็ น, ปนที่อยู่มันเป็นร้านนะอ่ะที่อยู่ไม่มียนอยู่กันหลายคนห้องไม่พอจะอยู่แต่เวลามันไม่มีหมหายใจแล้วมันอยู่ห้องนี้นิกเดียวก็ได้นะจริงค่ะผมกอ ทุกวันนี้ก็พยายามแบบนึกถึงอะไรหลายๆอย่างนึกถึงผู้คนที่เขามีความทุกข์กกายทุกใจก็มีความรู้สึกว่าสงสารสงสารเขาแต่ก็เราก็ก็อุเบกขาค่ะเราก็มองว่าเออเรามองที่ตัวเราเป็นกรรมของใครของมัน ใ, <ช>ใครำกรรมันได้ไว้ก็ตร้องเรื่องนี้เป็นเรืองที่เรามาใช้กรรมกันมาสร้างกรรมกันมารับผลกรรมกัน อบอกมีสุขมีทุกข์ไม่เท่ากันมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันมีรวยมีจนไม่เท่ากัน<ช>นี่แหลคแล้วอนุภาพของกรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้กรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัดให้เป็นอะไรไปต่างๆมานา ไ, ไม่เหมือนกันมันน่าจะเหมือนผลไม้นะต้นเดียวผลไม้มันเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกแต่ต้นต้นหนึ่งบางทีผลไม้ก็ออกมาลูกก็ไม่เหมือนกันนะคะ แต่ส่วนใหญ่มันก็คล้ายกันมันแต่คนเรานี่มันต่างกันแบบอืมใช่ฟ้ากันดินเลยคนบางคนอยู่บนฟ้าบางคนอยู่บนดินบางคนก็ไม่เข้าใจค่ะเข้าใจว่าเออทาไมเราบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกอิจฉาชีวิตเราแต่จริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในเราเป็นยังไงบางบางทีเราก็ต้องเออก็ปล่อยวางมันก็แล้วแต่ คนเราจะคิดแต่เราก็กลับมามองย้อนดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะพิจารณาว่าวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะอันศีลภาวนาเราทำอยู่ต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ก็คือก็คือจะไม่ได้มองไม่ไม่ได้ไปสนใจคนอื่นจะมองที่ตัวเองอยู่เสมอใช่คนก็สุขทุกข์ไม่เท่ากันอยู่ที่มีบุญมากน้อยต่างกันมีบุญมากก็จะมีสุขมากมีบาปมากก็จะมีความทุกข์มากมีกิเลสมาก ไพยายามลดกิเลสโดยการกระทำบาปทำแต่บุญนะโอเคไม่อะไรไห้ไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่อไม่มีจังทางใช่หรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องท่านคุณแม่ฟังแทนกันแล้วกันนะเพราะไม่มีเวลาอาทิตย์ที่แล้วพอดีไปทําทุนร้านมาค่กลับมาสองทุ่มกว่เลยเข้ามาไม่ทันนะคะโอเคไม่เป็นไรไม่ไม่ ไม่หักคะแนนไม่หักคะแนนพอดีเดี๋ยวน้องพีวันวันนี้น้องพีสอบพรุ่งนี้ก็สอบค่ะก็จะมาคุยกับหลวงตาก่อนอืายายมอ่าหนังสือเยอะๆนะน้องพีนะแล้โอเคอ่างานนันทสการ์ค่ะหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงนะคะอ่าอหนได้คุณทับตาครับกระดาบนัสการพ่ออาจารย์ครับอมีอะไรไหม ยังยังไม่มีครับไม่มีก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโอเคยังไปที่กุณดเลตต่อเอาเลยชื่อถูกไม่เรียกถูกไหมคุณดะเลตอ่าโอเคครับก็รายงานการปฏิบัติครับก็ทําตามที่หลวงพ่อบอกฮะรู้สึกว่าสติมันก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็วันนี้ก็ลองถือศีลแปดแล้วก็ วันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรครเรียกว่านั่งกับสลับกับเตือนจงกรมทั้งวันคราวนี้ก็จะมีติดอีกนิดหนึ่งครหลวงพ่อคือตอนนี้รู้สึกว่าเอจิตเนี่ยมันจะสงบต่อเนื่องได้นานขึ้นกว่ากว่าอาทิตย์ก่อนแต่คราวนี้ยพอมันสงบนานๆมันก็จำมาอีกแล้วว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะรวมสักทีอะไรอย่างเงี้ยจะแก้ไอ้พวกนี้ยังไงครมันจะมีแบบพอต่อเนื่องไปไนานๆสักพักมันก็จะเริ่มคิดแบบนี้อีกแล้ว มันงทำให้รู้ไม่ชีเนอย่าไปสนใจกับผลให้จดจงออยู่ที่เหตุอยู่ที่การกระทำของเราส่วนผลจะมาเมื่อไหร่แล้วแต่มันเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราไปคาดมันจะไม่มาเลยเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้มันมาเหตุ hey, ที่ทำให้มันมาคือใจเราจดจ่ออยู่กับกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมไป แต่าไปคาดเพระคาดมันต้องดึงกับมาที่พุโทโธเนั้นที่บอกใช่ไม่ได้ถ้าคาดแล้วไม่มาครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามทําเพิ่มอีกหน่อยอ่าให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้เป็นพุโทโธก็ได้เป็นนมก็ได้อย่าทิ้งมันเกาะติดไว้มันเป็นเหมือนกับอ่มันกับชีวิตของเราเลยฝากไว้กับมันเลยครับ ได้ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะลองทำเต็มที่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึง่งแล้วใจเย็นๆบางทีมีความมั่นหมายมากมันก็ทําให้พอไม่ได้ผลบา่วัาจะทําให้ท้อได้ครับบางทีมันไม่แน่นอนยิ่งมั่นหมายมันยิ่งยังไม่มาเวลาที่เราไม่มั่นหมายมันจะมาบางทีนั่งไปตอนที่นั่งมันไม่มาแต่พอตอนเราเลิกนั่งแล้วเราทําใจสบายๆไม่ไปเครียดกับมันมันมาตอนนั้นก็ได้เลยที่เราไม่รู้สึกตัวครับ อืได้ใจบางทีมันสงบนอกเวลาที่นั่งสมาธิก็ได้เวลาที่เราทําใจว่างว่าไม่ไปคิดถึงอะไรนี่มันมันมาตอนนั้นก็ได้อืมครับก็อาจจะเป็นว่าตอนตอนนั่งเนี่ยมันทอาจจะมีความตั้งใจเยอะไปนิดหนึน่งอะไรทำให้ตั้งใจมีตั้หาความอยากครไอ้ตัวเนี้ยมันจะขวางอครัครราต้องปองว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทำมันอย่างนี้เดี๋ยวมันมาอีก แล้วอย่างตอนที่ผ้าจาย์อยู่กับหลวงตาบัวนี่มีทอ้อบ้างไหมครับตอนปฏิบัติเราใกโชคดีเราตอนที่เราปฏิบัตินี่เรามันมันมันมีกําลังใจโดยโดยตลอดมันถึงมันถึงไปได้ครับเรื่องความท้าไม่ใช่มีเพราะมันมีรางวัลมันได้รับรางวัลอยู่เรื่อยรางวัลที่ว่านี่เป็นยังไงครับอาจารย์ลผลผ ล, ผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยใจสงบพอใจสงบมันก็มีกําลังใจครับ มันอะไรไม่ทอ้อมันรู้ว่ามันต้องเพียนอย่างเดียวถ้าท้ามาหลานี่จบมานั้นท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวต้วเดนินมันก็จะได้ผลเดินด้วยสตินี่เนาะยึดแวนวสติเป็นหลักนลังจากนั้นปฏิบัติเนี่ยเข้าใจพระพุทธเจ้าบอกสตินี้สำคัญเป็นทำรี่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่ยิ่งกว่ารายท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่ารอยเท้าเช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้สติก็เหมือนกันเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าลรามทงปวงพ อ, อขาดสติแล้วทำอย่างอื่นเกิดไม่ได้นรกเวลาหยุดอันนี้หยุดเอาสติไปหลือเปล่าืตาขึ้มันก็เริ่มตั้งสติทันทีเราไม่ใช่ใช้พุทโธเราใช้เราใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดนั้น ตอนนั้นเราไม่รูเรื่องพุทโธเพราะตอนั้นเราไม่ได้ศึกษาอ ย, ากายกักษรกรรมาฐานเราศึกษาจากหนังสือที่คันมาจากปัตติเบนหนังสือสติปัญสีอิทนทราัสีตอนนั้นเรามีสติตลอดเวลาสติอยู่ที่กายตลเวลากายยากตาสติแล้วเวลานั่นงย้ายมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าครับ ท, ทําำสองอย่างนี้ เวาเดินก็มีสติอยู่กัร่างกายเวลานั่นก็มีสติอยู่กับลมครับแล้ น, นี้แหละเรู่ความสงบมันก็มาเองครับได้ครับโอเคอขอบคุณมากครับาอาจารย์ครับก็เดี๋ยวผมจะคอยรายงานได้เรื่อยครับเพราะว่ามันจะบังคับตัวเองไม่ต้องมารายงานความก้าวหน้าให้พระอาจารย์ครับไม่ดีแต่ไม่จำ<ม> ไ, ไม่จําเป็นนะแต่ไม่รายงานก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ได้ครับอือขอไว้เป็น เห็นพระอาจารย์ไปกำลังใจครับบางีเห็นภาพเหลือแล้วกําลังใจมันจะมาก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งก็ดีถ้าอะไรที่ทําให้เรามีกําลังใจก็ก็ดีครับนี่ก็ไม่มีกําลังใจครับไม่ต้องมีโมเดล ม, มีมีตัวอย่างนมีตัวอย่างให้เราได้ได้ได้แบบว่าได้เรียนแบบมีได้ครั บ, รบโอเคขอบคุณมาครับพระอาจารย์ครับ อาจารย์สภัตตาตอนนี้เรียกเป็นอาจารย์ได้ยใช่ป็นอาจารย์กลับมาวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกข่ายเป็นนาเลยก็ไปดูแลพี่สาวที่ที่ทุกคนในนะคะก็พี่สาวไม่สบายเลยแต่ใช่ใช่เจ้าค่ะเราก็ปรวจพบเป็นมะเร็งก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทําการพ่าอะไรอเจ้าค่ะก็เลย เลยเลยต้องต้องแต่งงานเขาเจาต้องไปสอนเรางานต้องอยู่อันนี้สอนกี่คาบกันกี่ชั่วโมงอ๋อตอนตอนนี้เอ่าวเขาเพิ่งหมดเพิ่งพิ่งหมดช่วงเออเพิ่งหมดทดลองงานแล้วค่ะสามเดือนแต่ว่าลูกได้สอนเป็นยาทนหนึ่งวิชาแล้วค่ะแต่ว่าเธอมหน้าเนี่ยจะสาม สามีิชาเต็มแล้วก็จะมีงานวิจัยอีกแล้วค่ะแล้วก็มีงาบริการอีกแล้วค่ะก็ ง, งานจะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเนาะใช่เจ้าค่ะตอนนี้วเราเยอะมากแล้ ว, mm hmm. ลวก็ต้องด a แลพี่สาวด้วยอะไร่างเงี้ยเจ้าค่ะต้องดูแที่บ้านด้วยอะไรอย่า d เงี้ยเจ้าคก็ทำให้ดีที่สุดทางกำลังของเราเพื่กัน แล้วค่ะลูกก็พยายามพยายามนังสมาธิตอนเช้าตื่นมาตีสี่ครึ่งก็นั่งก่อนไปทํางานแล้วค่ะ<ด>แต่พอเราคนทํางานนี่ก็เป็นเวลาตอนช่วงเช้าแล้ช่วงช่วงเย็นช่วงเย็นมันก็เหนื่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกที่จะนั่งแต่ถ้าได้นอนพักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่คิดมากอยู่ทําให้นั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นตอนเช้านะ่ะดีที่สุนะ ตลอดคนทํางานชีวคนที่ทํางานใช่เจ้าค่ะบางทีก็เหนื่อยก็ไม่อยากจะเปิดแล้วว่าก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันต้องเหมือนกับรับประทานอาหารกดกดออกโซนน้ำในกอกตัวร่งกายคนที่ออกกําลังกายประจำเขาเขารู้ถึงแม้จะขี้เกียจยังไงเาก็ต้องมันทำเพมันได้ประโยชน์มากกว่าเสียไม่ทำมันกับเสียประโยชน์มากกว่าได้ ไปชายเจ้าข่าวชายเจ้าค่ะไม่อยางมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีกำลังที่จะไปไปไปอยู่กับโลกไปอยู่เผชิญกับโลกเลยต้องตืงตง่นมาตีสี่ึ่งมันนั่งก่อดเจ้าค่ะแล้วก็ค่อยเดี๋ยวออกสนามลบแต่ระวันแต่ละเช้า <c oughs> เพราะว่ารู้ <c oughs> สึกว่าโลกใบนี้มัน ก็อยู่ทำตามหน้าที่แล้วค่ะก็บอกอยู่ทำตำามหน้าที่ใครอะไรอย่างนั้นเจ้าค่ะเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะคิดอ ย, ยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัฒนาจากกันไปขณะที่อยู่ก็นอูก็อยู่ดูแลกันไปนั่นค่ะเมตตาไปใช่เจ้าค่ะพอเขาป่วยเขาก็อารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะก็มีหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยเจ้าค่ะผู้ก็อาศัยนิ่งอย่างนี้น ได้เทำอะไรไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ให้กวามเมตตาให้ความสงสารเข้าไปวันนี้แหละไม่ฝึกจิตมาก่อนพอเกิดอาการอันนี้ขึ้นมาจิตก็เลยรับไม่ได้ใเจ้าค่ะลูกก็ลูกก็เลยไม่เป็นไรเงียบไปก่อนเงียบเดี๋ยวนี้เป็นคนเงียบไใช่ราทำมาช่วยเขาเรามาช่วยเขาไม่ได้มามาไมีเงียบของเขา ยโดนตาลูกใช่แต่รูปมีพระอาจารย์เจะคำตัวคำสอนยอมหยุดเย็นยอมหยุนเย็นยอมเข้าเขาจะงอแงเขาจะชู้วชี้จุกจิกเขาจะอะไรก็ยอมเข้าไปไม่ต้องไปต่อสู้ครัเขาเป็นแจวเป็นแจวเขาใจจะเย็นแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคมีแค่ น, นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ เ, คเราจะพยายามเข้ามาให้ได้เราจาค่ะเพราะว่มมาตอนนี้คืนเหมือนลงตัวเ้าจะค่ะพยายามพยายามกันมานพื่วมาเอาพลังตัว ค, ค่ะอ่าดีธรรมะนี่เป็นพลังสาคัญของใจต้องเติมพลังเยอะเลยต้องฟังเตศทางธรรมลัทธิธรรมเยอะเลย การในนะธรรมะสวรรค์การสนทนาธรรมตามการตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมีคนประโยชน์อย่างยิ่งโอเคนะก็คุณคุณจันนี่จันนี่วัดจันนี่หรือจันนี่แบ่ข้ออันนี้ยังแบงข้อค่ะอาจารย์วันนี้ใครใครมีวันข่าวอะไร เคยค่ะพระอาจารย์สอครั้งค่ะ<อ>พระอาจาย์ะดีมากเลยค่ะพระอาจารย์สงบสงบเงียบแล้วก็เหมาะแก่กันปฏิบัติธรรมมากๆเลยค่ะอยากอยากจะไปบ่อยๆเลยค่ะแต่ว่าติดที่การงาน <laughs> หยุด<ม>บ่อยไม่ได้ยังมีวิบากกรรมอยู่นะใช่ค่ะก็ต้องชดช้วิบากกรรมไปก่อนค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามฝึกที่บ้านทุกวนันแต่ก็ไม่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์มันไม่รู้สึกว่า สภาพบรรยากาศมั น, ม, นมันมันเอื้อเกาะต่อการปฏิบัติธรรมจริงๆค่ะบนเขามีมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่สบายดีค่ะไม่ไม่สนใจที่มันนั่งฟังฟังด้วยเลยนะช่วงนี้ติด ติดทองค่ะพระอาจารย์ราคามันขึ้นเยอะนะใช่ค่ะเพราะตอนนี้คนมีทางนี่รวยกันเยอะแยะนะใช่แต่คุณแม่คือไม่ได้ซื้อนะคะเพราะกลัวมันลงค่ะแล้วก็แบบมันนั่งทุกว่าเอ๊ะทาไมไม่ซื้อนะอะไรปนไปค่ะพระอาจารย์ทางมันมีแต่ขึ้นเนี่ยตั้งแต่ดูประวัติมามันขึ้นมาเรื่อยๆมันอาจะลงบ้างลงเพิ่มขึ้นไปใช่คือก็ทองก็ไม่ขาดทุนหรอก ค่ะพระอาจารย์แต่แกก็กลัวค่ะก็จะกลายเป็นทุกทุกพอทองอย่างนี้มันจะกลายเป็นเอ่ออบายมุกไหมคะพระอาจารย์ถ้าถ้าเก่งกําไรก็เป็นก็คลยขายอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันรู้สึกความรู้สึกมันขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเราแบบถ้าซื้อไว้เป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นทางเลือกทางหนึ่งเพื่อมีมีทรัพย์แยกเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อทรัพย์ทางอื่นเสียเราวก็จะได้อาศัยทรัพย์ทางนี้ได้ อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารอนกระจายกระจายความเสี่ยงบางกันธนาคารทั้งหมดเดี๋ยวเกิดธนาคารมันเจ๊งขึ้นมาก็หมดทีช่วงนี้ก็จะโดนอายัดออาจจะโดนอายัดโดยไม่รู้ตัวค่ะออาจจะมีเงินสอดเก็บไว้บ้างมีอะไรบ้างต้องมีกระจายความเสี่ยงไว้แต่ที่หนูยหนูเคยเล่นเหมือนกันค่ะอาจารย์แบบ เล่นซื้อทองซื้อมาขายไปในแอ ป, ปพวกในแอ ป, ปออนไลน์อะคะ่ะมันความรู้สึกตอนนั้นคือตอนนั้นก็คือปฏิบัติธรรมแล้วนะคะแล้วก็มาเล่นมันมันความรู้สึกคือจิตจิตมันมันหนูรู้เลยคะ่ะว่าแบบสภาวะเปรตเป็นยังไง ค, ะคะ่ะพระอาจารย์มันแบบเล่าร้อนมันอยากพ อ, พ อ, อ, อได้น<ม>้อยก็ทุกพอพอเออไม่ไดไ้ได้มากก็ได้มากก็คิดว่าขายหมูยะะังไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าแบบติดดอยก็ทุกคือแบบเอ่อมันเราซื้อไปแล้วมันราคามันลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทุกร้อนใจว่าอุ้ยเราจะขาดทุนไหมอะไรเงี้ยค่ะมันตอนนั้นรู้สึกเลยค่ะว่ารู้สึกแบบมันใจมันมันไม่ดีเลยค่ะเหมือนหนูรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นการพนันอย่างหนึ่งเลยค่ะตอนหนูก็เลยเลิกออก็เลยไม่เล่นเลยอ่าถ้าซื้อมีการลงทุนก็ไม่เป็นไรซื้อแล้วก็แต่อาจจะแต่อาจจะแบบซื้อเก็บไว้นานๆแบบลืมไปเลยลืมไปเลย เป็นเป็นที่กระจายทรัพย์ของเราส่วนหนึ่งซื้อทองบ้างซื้อเพชรบ้างซื้ออะไรบ้างกระจายไปเก็บไว้คนละที่แต่นะพวกนี้มันก็ทุ่งอ่ะนะคะก็มาทุกว่าแบบอะไรนะมีทองมีทองเท่าโหนดกุ้งนอนสะดุ้งจะเลือนไหวอะไรอย่างงี้นะคะ <c oughs> บางที <c oughs> การมีทรัพยนึ้นจะเป็นทุกข์ไงแต่เราไม่รู้กันพระเจ้าั้งสองพระมาอยาไม่ให้มีทรัพย์ในที่สุดมีแล้วกิเลสมันออกมา คํามรักความโหยความโลภมันจะออกมาใช่ค่ะมันจะเห็นได้ชัดมากเลยค่ะยิ่งเราเคยเราเราเคยปฏิบัติจเจริญสติมันก็จะยิ่งรู้ว่าตอนที่แบบใจมันสงบ ม, มันเป็นยังไงแล้วแบบพอเป็นใจที่แบบรุ่มร้อนขึ้นมามันก็เห็นชัดมากเลยค่ะพระอาจารย์มันก็ทําให้มันสงบยากด้วยใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ตอนรู้สึกว่าถ้าหนูตายไปตอนนั้นหนูหนูต้องการเป็นเปรตแน่เลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> สภาไว้จิตตอนนั้นก็ <laughs> <laughs> เลยไม่เอาแล้วค่ะ ดีอ่าอ่โอเคมีอะไรไหมคอาจารย์ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณพระอาจารย์อ่าคนวิไลพรอาารย์กลับการพระอาจารย์เจ้าค่ะไงมีทองเยอะไหมอืมก็เก็บไว้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยอะค่ะก็ไม่เคยไปขายไม่ขายไม่ไม่ขายไม่ขายค่ะก็เก็บไว้ก็จะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นจะลงก็ปล่อยมันลงก็เก็บเอาไว้ไม่ไม่ไได้ไปซื้ เก็ไว้เป็นทุนสำร่ะกับกลายเป็นโอ้โหกันมันจะไปต่ออีกไหมคะเนี่ยราคาทองมันจะไปเรื่อยๆเลยไหมตามอายุเลยไหมคะพ่อจางก็ดูก็ดูตั้งแต่เราต้องเป็นเด็กตั้งแต่วัยหน้าเด็กมันบาทละพันก็สองพันได้ใช่ค่ะใช่ค่ะขึ้นเปเลยนะมันก็ขึ้นมาระลอดมันอาจจะมีลงบ้างเป็นบางช่วงแต่มองระยะยาวมันมีแต่จะขึ้นน่ะเพราะมันเป็น เป็นสิ่งที่มันคนสามารถามีความมั่นใจว่ามันเป็นของที่พึ่งพาศัยได้จริงค่ะพระอาจารย์เพราะทั่วโลกก็คือถือทองหมดอย่า ง, งเงินพอเราเงินบาทประเทศไทยไปถึงเมืองนอกก็คือกระดาษใช้ไม่ได้เลยใช่ทางนี้ไปไหนก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ค่ะต้อง<ต>เป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าใช่ไหมคะต้องเป็นทองแบบอันนี้เราไม่รู้แบบเก้าเท่าเท่าไหร่ <laughs> เท่ามันก็ได้ทั้งนั้นอ่ะ คำแบบเมืองนอกนอะค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่งั้นมันแพงมากเกี่ยวกับมีสงครามนี่เราต้องรีบหนีเนี่ยทางที่เราเก็บไว้นี่ก็ขนไม่งไงด้ง่ายห่อกเกี่ยวกับในธนาคารก็ต้องทิ้งมันไปแล้วอะทิ้งหม ด, มดเลยใช่ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เพดัะนั้นเราก็ <c oughs> หาบุญใส่ตัวดีที่สุดลวค่ะพระอาจารย์ไม่อยู่แบบพระเข้าไปแล้วเนี่ยมีบาทใบเดียวไม่หมดใจใบสุดค่ะพระอาจารย์เออเรื่องนลองนั่งแบบว่าที่พระอาจารย์เคยคุยเรื่องการเผาตัวเองอะค่ะ แบบต้องต้อง Susan, นั่งให้มันเจ็บแล้วแบบให้ให้เอาความเจ็บเป็นไฟเผาโยมก็นั่งนานมากจนจนให้มันเจ็บอะคะ่ะแต่ลองเผามันเผาไม่ได้เพราะอาจารย์เผามันจินตนาการมันไม่ไปอะคะ่ะพระอาจารย์มันต้องจินตนาการยังไงอะคะเพ <PAR A, S 2> มันไปดูรูปนที่เขาฆ้าตัวตายพระที่เ้าฆ้าตัวตายแล้วกันเผาตัวก็เองอือค่ะ ก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไฟมันก็ลุกท่วมมันก็ค่อยๆไหมลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆไปทั้ท่วมท่วมท่วมท่วมร่างกายนีนยังทั่งมันบอวันท่วมเผาหมดปั๊บมันก็สุดลงไปไฟก็ดับนันแต่คีดเท่าอืมค่ะแล้วยอมหลอดยอมทำสองครั้งมันเผาไม่ได้มันจินตนาการไม่ออกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นว่ามันพอวันเผาเสร็จแล้ว มันคือต้องเป็นใช้ในการนึกคิดมันมันไม่ใช่เกิดจากเกิดจากเกิดจากยาหรืออะไรใช่ไหมคะมันต้องเป็นการจินตนาการใช่ไหมคะใช่ต้องต้องต้องปร่งแต่งขึ้นมาสังขารการคิดปร่งแต่งนึกถึงภาพ อ, อาจจะเอาไปหาภาพตัวอย่างมาดูค่ะอาจารเดี๋ยวยมจะลองไหมเพราะโยมโยมไม่ไม่เคยเผาตัวเองเคยแต่ดูลมแล้วก็สงบนิ่งลมหายก็อยู่อย่างงานไปนะะอเค่ะกะเ็เลยเลยจะลอง จะลองเปลี่ยนมาดูเป็นแบบเผาที่ที่ที่พระอาจารย์เคยคุยกับที่คนหนึ่งอ่ะคะ่ะแต่ก็ไม่สําเร็จคะ่ะก็เลยจะมาถามเรียนถามกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะงั้นโยมก็ต้องไปไปเหมือนกับนกึกคิดแล้วก็ไปดูรูปที่เขาเผ า, เาแล้วเราจรินตนาการเพื่อมันจะสงบใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ามันเผาเพื่อเราจะได้เพ่งอยู่กับภาพนั้นจะมันแทนที่จะดูลมแล้วก็ดูภาพอภาพของก่างกายเป็นอารมณ์แทน ถ้าท่านไปนลมแทนเราจะได้ไม่ไปคิดอยากจะให้ความเจ็บหายไปอ๋อได้ค่ะพระอาจารย์เพราะพยมแบอบกว่าเดี๋ยวนี้พยมนั่งลมหายมันก็จะนิ่งเงีบจะไม่ไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยงเงี้ยค่ะยงก็อ่ะไม่เป็นไรก็นั่งใหม่นั่งไปนานนานพักใหญ่ค่ะจนวันถึงจะเริ่มเจ็บพอเริ่มเจ็บยงอามาแล้แลวเจ็บอ่านแล้วก็ลองจินตนาการไม่สม อ, อย่าไปนั่งบนบาะนั่งบนกับเพแข็ง มาจารรู้ได้ไงรู้เพราะคนทุกคนนั่งนบนเบาะเ่านั้นนะใช่ค่ะพระอาจารย์เบาะแล้วแต่แต่นั่งแบบว่าขัดสมาดบนนะคะ แ, ค แ, แล้วแต่เราแล้วแต่เราปฏิบัติเราไม่เคยนั่นนงบนเบาะเล ย, มเลยไม่เคยนั่งเลยเพิ่งมานั่งช่วงหลังนี่เองเจา้ า, า<ม>ค่ะพอเขาเริ่มมีเบาะเราถึงเยอมยวหนิงก็เลยเลยซื้อมานั่งไปทําไมเ้านั่งเพื่อให้มันทุกข์นั่งแบกลัวทุกข์อย่างนี้มันมันก็ไม่มีทางด่เลยทุกข์แบบกลัวไงทุกข์แบบกลัวมัน ต้องต้ทุกแบบสู้สิอ้อราต้องการที่จะนั่งสู้ทุกไม่ใช่หนีทุกนี่แบกเบาไปเลยที่ไหนก็แบกเบาไปนั่งนี่มันมันบ่งแล้วว่ะกลัวกลัวทุกกไม่อยากินแต่มันทุกเข้าใจไหมค่ะตอนไปบวชทุกคนก็ถือเบอกันไปหมดเลยค่ะนั่นยโยมเห็นโยมก็เออดีเนาะอะไรค่ะยมเห็นทางกรรมฐานเขาถือเขาแบกแบกเบาไปในป่าว่ะ พระกรรมฐานก็มีแต่แบบกดกับบาทนะใช่ค่ะอ๋อโอ้โหต้องปวดมากแน่เลยค่ะพระอาจารย์ถ้านั่งกับพื้นอ่าก็ต้องนั่งนั่งเพื่อที่สู้กระทุกข์เพื่อได้พัฒนาโอเคค่ะพระอาจารย์หนึ่งรองใหม่จะเก็บให้หมดแล้วจะรายงานพระอาจารย์ใครที่นั่งเบาโยนเบาทิ้งไม่เลยถ้าอยากจะก้าวหน้าอยากจะพัฒนาทางด้านทุกขเวทนาอือมปั่นมากเลยค่ะพระอาจารย์อย่างเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี้ยค่ะ โยมเป็นปัปะสสาวะเสพใช่ไหมคะโยมก็ทนก็คี่ว่าเออไม่ไม่จะได้ไม่ต้องไปหาหมอโยมก็อาดน้ําอาดน้ําอาดน้ําจนกว่าบันสู้ไม่ได้คะ่ะคือมันคือมันจะเสียวมากแล้วพอพอเสียวมากโยมก็เออกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันจะเป็นกลวยตายอักเสบเนี้ยคะ่ะโยมเออก็เลยต้องต้องไปหาหมอเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเอายามาทานแต่ระหว่างที่มันเสียววะโยมก็จินตนาการว่าอืมมันนึกสภาพว่าลองคิดดูซิว่าเหมือนเราถ้าเรากําลังจะตายอะ่ะเรามีอาการแบบ มีอาการทรมานแบบเสียวอย่างเงี้ยอยู่อ่ะให้ให้ให้แยกให้แบบใจอยู่ส่วนใจแล้วก็ปวดก็อยู่ส่วนส่ว น, วนปวดส่วนเสียวไปไงคะ่ะก็ทําได้นะคะพระอาจารย์จากจากสมัยก่อนเราเคยแบบโอ้ยมันไม่ไหวมันเสียวมันทรมานนิดยค่ะตอนนี้มันก็คือเฉยมันก็ดีมันแยกมันสบายเลยค่ะก็ใช้ได้ถ้า แ, แยกได้ใจนิ่งไ ม, ไม่เดือดร้อนกับมันก็ใช้ได้ ใช่ค่ะเหมือนเหมือนกับว่าอ่ะมันจะก็เรื่องของมันเสียวก็เสียวไปแล้วก็อ่ะเราก็ดูกลายเป็นดูเขาไปเลยค่ะอาจารย์ใช่เราไม่ได้เป็นเขาเขาไม่ได้เป็นเราใช่ค่ะเป็นคนละคนกันใช่ค่ะแต่แต่ยินต้องไปหาหมอเพราะยืนกลัวว่ามันจะเป็นมหนักมากกว่านั้นก็เลยไปเอายาอ่านก็หาก็แล้วแต่ถ้าั้นต้องรักษาแก็รักษาไปค่ะ พอทำมันมันไม่ทันพระอาจารย์เพราะว่าเราอัดน้ําช้าค่ะมันก็เลยแบบเป็นบ่อยหนึ่งเป็นเรื่องนี้บ่อยมากแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นแบบว่าอ่ะเรารู้แล้วก็เราก็ดูมันได้ปกติอืดีมากเลยค่ะพระอาจารย์อเคค่ ะ, ะเดี๋ยวเ อ, อคุณพ่อบอกว่าอยากไปใสบ่บาตรวันเกิดคุณพ่อวันที่ยี่สิบสองค่ะพระอาจารย์โอเคสาธกค่ะพระอาจารย์เล่าสาธขันนะคะอเจัจนจนัจนเซียงไฮยอ่าเชิญ เปิดหมได้การมันกรมันมาสการหลวงพ่อนะคะวันนี้อยากจะศึกนี่มีคนอยู่กี่ล้านคนโอ้กี่ล้านเนาะนล้วหนึ่งหมื่หลายพันล้านนะคะพันล้านไม่ไม่ถึงพันล้านหรอัเดี๋ยวอันอันนี้อันนี้ใช่ใช่ใช่ี่สิบล้านอ่ะไม่จำคำศัพท์มันคาภาษาไทยไม่ตรงแล้วก็โอเคสิบละกันร้อยล้อยนะคยใช่ใช่ใช่ 20กว่านะคะ20กสิวันนั้นก่อนนะค่ะอื ม, อ ม, อมแล้วก็วันนั้นพระอวันนั้นหลวงพ่อให้ท่องอาการสามสิบสองตรงนี้ก็ใช้เป็นนั่งสมาธิก็คิดว่าท่องไปกับก็ท่องได้ละค่ะตรงนี้จำได้ละค่ะ อ, อ, ะอแล้วก็นั่งสมาธิอ่าท่องอาการสามสิบสองก็ได้จริงก็อืมได้จริงอ่าสร้างก็ น้อยลงอ่ะอืน้อยลงก็ค่อยๆน้อยลงนั่งได้วันนั้นนั่งได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่นั่งได้นั่งได้เยอะกว่าตั้งแต่สาสิบสองตลอดเลยไม่ได้ตลอดก็ว่าท่องท่องไปสองสามรอบก็ไม่ท่องหรอกค่ะพอใจไม่ก็ะยุนอ่าก็ก็แล้วก็แล้วก็ท่องท่องท่องไปตอบเป็นพูดโทรไปได้ไหมคะได้นะแต่อนั่งเฉยๆต้องไปพูดโธแล้วดูลมหายใจต่อ ใช่ค่ะแ ต, แต่แต่ว่าในชีวิตประจำวันใช้ผู้โทรทั้งวันยังไม่ได้เลยอะ่ะแสดงว่าแสดงว่าหลวงพ่อเขาคิดว่าดูร่างกายดูร่างกายแทนดูร่างกายดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ กำลังอาบนา้ำกาลังกินข้าวกาลังแต่งตัวกาลังเดินไปนู่นเดินมานี่ให้เฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาแทนอ๋อใช่เอออย่างนี้อย่างไม่ได้ใ ช, <พ>ใช้ใช้ร่างกายเป็นที่ที่ผูกใจไหมอ๋อถ้าใช้คุโถ<อ>ไม่นด้ก็ใช้ร่างกายคอยเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาเพราะว่าบางทีก็อยู่ๆทำกิจกรรมอื่นๆก็ลืมไปแล้วค่ะไม่เวลาก็ให้ให้อยู่กับกิจกรรมที่เราทา อย่างนี้ก็ ท, <อ>ทกําอะไรทํากินเข้าวอะไรทํา <ำ S 2> ท<ำ>ํากับข้าวทาอะไรก็อยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทําอยู่ไม่ต้องท่องพุทโธแล้วเช่นไม่ต้องท่องพุทโธถ้ามันอยู่มันก็ไม่ต้องพุทโธถ้ามันทําแล้วยังไปคิดเรื่องนั้ น, น, นอยู่ก็ใช้พุทโธขึ้นมาช่วยอีกอันนึงก็ได้อืมเข้าใจละค่ะก็ก็เข้าใจว่าถ้าไม่อยู่กับพุทโธมันจะสติมันหายไปขนาดนั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วมันจะลอยไปคิดเรื่องนึงนึงนึงแทนู่ อืมใช่มันขี้เยอะนะค่ะออถ้ามีพุทโธมันก็ไปไม่ได้หรือถ้าเราเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มันก็ไปไม่ได้มันไปเราก็อย่าไปตามมันแล้วก็อยู่กับงานที่เราทําถ้าเรากำลังกินข้าวเราก็กินข้าวไปมันจะไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ก็อย่าไปตามมันแล้วก็จับแล้วก็อยู่กับพุทโธไปเนื่อยู่กับการกินข้าวไปเรื่อยๆมันก็อยู่แองเรื่ยมันก็อยู่แดงใหม่ๆมันไม่หยุดมันดื้อ ใ่เข้าใจเลยเราต้องเราก็อาอา้องสู้เราก็ต้องผูกใจเราอยู่กับงานที่เรากําลังทํำอยูอ่เข้าใจแล้วค่ะหลวงพอ่อตรงนี้ก็ก็ยังต่อเนื่องอยู่ปฏิปต่อเนื่องกัสงบไม่สงบก็ช่างมันพอใจที่ได้ทํำทำเป็นนิสัยค่ะอืบางวันก็ทําได้สามชั่วโมงบางวันก็สองสามชั่วโมงถ้าไม่ไม่ทําครบก็ วันผู้นี้ก็ทําได้สี่ชั่วโมองอ่ะอย่าอยากจะเพราะว่านั่งอธิฐานแล้วไว้ละค่ะชดเชยชดเชใช่ค่ะวันนี้ขาดไปชั่วโมงผู้นี้ต้องต้อ ง, องทําเพิ่มชั่วโมงใช่ใช่ก็ก็ตือนตือนตือนตัวเองว่าต้องทําไม่ไว้สู้กิเลงไม่ไหวละค่ะเพราะว่าพะวังวันก็ถามตัวเองว่าวันนี้สู้หรือว่าชนะหรือว่าหรือว่าแพ้อ่ะ อ, ะ อ, อก็บางวันก็แพ้อยู่คะ่ะก็รู้ตัวตยอย่าแพ้บ่อยก็ได้ ชนะต้องนะบ้างใช่ก็หลวงพ่อพว่บาบางทีเนาะก็ถ้าเจอกับญาติพี่น้องกันเนาะเพราถ้าเขาพวกเขาคุยคุยโล่นะเราก็ไม่ค่อยสนใจแล้วก็เงียบเงียบนะแต่ว่าเงียบเงียบไม่พูดอะไรพูดน้อยไปก็ดีแล้วไม่แสดงความคิดเห็นนะแต่ว่ากลับไปกลับบ้านเนาะยังไม่รู้ว่าเก็บเก็บข้อมูลหรือเปล่าก็ฟงฟงสร้างอีกแหละคะ่ะไม่มีสจตีงไงเอ ก็คิดดังนั้นดังนี้เราก็ใช้พุทโธช่วยลบมันออกไปนี่กลับมาดูที่ร่างกายก็ได้อืบางทีร่างกายเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้พุทโธช่วยแต่แต่ว่าก็ถ้าเกิจอาการ32ก็กลับมาใช้การ32ก็ได้อกลับ ม, มาหาผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตรงนี้ก็ว่างๆถ้าท่องอาการ32ก็ท่องท่อ ง, งให้คล่องล่ะคะ่ะ อ่ทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับได้ไหมได้ได้ได้ได้ไหมค่ะดีถือสิงแปรได้ไหมถือสิงแปรสองวันละค่าหลวงพ่อไม่กิเข้าเย็นไม่จกิเข้าเย็นหรอไม่ดูหนังพังเพลไม่ไม่ฟังเพลไม่ดูหนังไม่สองวันไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรโอ้เขาน่าจะดูแป๊บหนึ่งก็สติก็เลิดมาอ้ยวันนี้ถือสิงแปรทาไมดูเขาทําไมอ่ะ ก็เตือนสติตัวกลับมาค่ะไม่ดูค่ะบางบางบางทีก็สงส่วนใจนะคะนายุนนอนกับพื้นว่นอนนอนนอนกัเตียงแข็งแข็งหน่อยได้ไหมคะแข็งแข็งก็ปกติไม่ใช่เบาะหนาหนาไม่ไม่ใช้เพราะว่าปกติก็ก็ก็นอนลงแข็งแข็งบอกว่าดีต่อเอวอ่ะอ่าใช่แข็งแข็งหน่อย ยานอมันฟุ้งทนานาไม่ดีค่ะไม่นอนนะคะโอเคหลวงพ่อมีการบ้านอาทิตย์หน้าไหมคะก็ทําทอย่างนี้ให้มากขึ้นโอเคค่ะไปกำจัดให้มีสติมากขึ้นอย่าป่อยอย่าปล่ ย, ย, ปลยให้มันฟุ้งค่ะเข<อ>้าใจล้วเพิ่มสติให้มันมากขึ้นอให้พูดโธก็ได้ใช้อาการสามสิบสองก็ได้ใช้มดูร่างกายก็ได้น่าแต่ อันไหนหมาะตอนไหนก็ใช so ้ออย่างนั po, yeah. ้นไปอืมแล้ว hmm. ก็นั่งสมาธิให้มากๆสองสามชั่วโมงอ่ะนั่งสามชั่วโมงอ่ะเนี่ยหลวงพ่อจริงเหอไม่ไม่ไม่ได้ไม้ละนั่งทีเดียวสามชั่วโมงนั่งนั่งบ่อยๆบอกนั่งให้รอนั่งได้สามชั่วโมงอ๋ออย่างนี้เราค่ะยังตรงนี้ก็ยังไม่นั่งได้สาชั่วโมงน่าแต่ สาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะเอว่อบที่บอกว่านั่งสมาธิวันละสามชั่วโมงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันอก็นั่งก็ทาต่อไปอย่าให้มันน้อยกว่าสามชั่วโมงค่ะไม่น้อยล่ะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะสาธุสาธุค่ะอ่าคุณจะเดินดอยเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงชั่วโมงวันวันหนึ่ง เดีวนี้แยกเขาฮาจ้าแต่ต้องทำงานไงค่ะทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวนี้หนูก็นั่งตามข่าวเหมือนกันค่ะนั่งดูข่าวเยอะข่าวเยอะกันเลยวันนี้ก็ Federal Reserve เขาจะปรับอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าไปบางคนกันดูทองคำมากบางคนนี่ดูดอกเบี้ยได้ฟังเสียแล้วว่าถือเงินดอนเยอะเลยคนูเปนหนูก็กลับ พี่จะทำยังไงแก่แน่ค่ะหนูก็ไม่มีอะไรคับอาจารย์เข้ามาฟังทำแล้วก็จะได้ฟังของท่านอื่นๆด้วยจะได้ช่วยให้ตัวเองกลับมามีสติขึ้นค่ะต้องปรุงนะมันนันทิจังทุกอย่างมีขึ้นมีลงค่ะค่ะแต่แต่หนูก็หนูก็ไม่ได้มีลงทุนอะไรหรอกครับอาจารย์อย่างมากก็อย่างมากก็แค่เงินสะสมสัมปทานนั่นแหละ ตายไปเข้าไปไม่ได้ตายไปเก้าไปไม่ได้ตายไปแค่มีโรงอันเดียวก็พอใช่ไหมถูกต้องค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณที่เตือนสติค่ะอาจาเนี่ยไม่ช้าก็เลยก็ต้องไปกันด้วยกันทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะยังไปซีเรียสกันมากกันไปค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะวันนี้หนูไม่มีคําถามมาฟังทำนะคะขอบคุณนะครั อคุณดูษาเชิญคุณดูษาต่อกลับถึงบ้านแล้วเลยถึงบ้านแล้ว่ า, วาพระอาจารย์นะวัตการค่ะอขมได้ยินได้ยินเสียงใช่ไหมคะใช่ได้ยินชัดเจนตอนโยมกลับมาถึงบ้านวันที่โยมจะกลับอะค่ะน้องที่ขับรถไปรับโยมใช่ไหมคะก็บอกว่าหนูขึ้นไปกราบด้วยได้ไหมโยมว่าได้หนูทําบุญด้วยได้โปรดได้พอเขาไปกราบพระอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าวันนี้ถูกหวย ก, กันนะเขาเดิน ก็กราบเสร็จแล้วเขาเดินออกมาเขาน้ําตาไหลเขาบอกว่าแม่ทําไมหนูน้ําตาไหลบอกนั่นแสดงว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็พอตอนเย็นก็โทรมาบอกแม่หนูถูกหวยจริงๆด้วยจ้าสุขสุขเดี๋ยวเรา <c oughs> กลายเป็นคนหมอควยเดี๋ยวคนหายกันไปแม่ <c oughs> แต่เขาบอกว่า <c oughs> แล้วหนูหนูจะซื้ออะไรอย่าแม่บอกว่าถ้าหนูจะถูกหนูก็ถูกหมดแหละ พระอาจารย์ท่านให้พอแล้วหนูไปซื้อแดดแต่สําหรับโยมอะโยมตั้งสัจจะไว้ไม่ซื้อหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่ค่ะอาจารย์โยมก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรค่ะอืค่ะอโยมขึ้นือวันหวยออกอะไรย้องเลยพูดไปอย่างนั้นเองค่ะแต่เขาถูกจริงๆค่ะอาจารย์เขาโทรมาบอกหนูตอนเย็นโยมบอกตอนเย็นค่ะเขาบอกหนูถูกหวยจริงๆนะแม่โอเคค่ะก็เป็นซึ่งคนขับรถมารับโยมนี่หลายคนนะคะแต่ไม่เคยมีใครขอขึ้นไปเลยชวนก็ไม่มีใครไปเลยแต่เขาคนขอเขาไม่ถูกหวยก็เยอะนะ ต้องต้องแย่งไว้ก่อนไม่คาะไม่ใช้าไม่เป็นไรค่ะแต่โยมก็กบอกเขาว่าค่ะโยมบอกเขาว่าถ้ามีโอกาสก็แวะมากราบซ้าเพราะว่าเขาขับรถไปพัทยาเรื่อยๆไปส่งลูกค้านะคะเขาอยู่โยมใช้แอปแท็กซี่ทั่วไทยค่ะเขาก็จะมารับโยมทุกครั้งอ่เเเ้เราเรียกเราเรียกคนนี้ได้รู้จักชื่อเ้วเราบอกเ็าได้ คื อ, อไม่ค่ะคยมยมจะไม่จะไม่ฟิกค่ะเขาจะแลนดอมมาแต่บางเออคนนี้มาแล้วเจอยมเขาเรียกยมว่าแม่เลยค่ะจันค่ะแล้วเขาก็เลยขอขอยมก็เลยให้ข้อมูลไปว่าถ้าสนใจก็ติดต่อตามเฟสนี้ตามอันนี้ค่ะเขาบอกเขาจะมาอีกอืสำหรับยมขึ้นเขารอบนี้นะคะพระจานทร์มันเวลาอย่างที่เคยบอกอะค่ะว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วก็ความกลัวที่เคยกลัวมันมัน มันไม่เป็นลหายพระอาจารย์โยมสามารถมองก้อนหินมองเข้าเป็นในป่าตอนตอนโยมขึ้นแรกๆนะคะก้อนหินโยมไม่มองหลังเรือนโยมไม่มองโยมกลัวไปหมดอะคะะ่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้คือสามารถออกมายืนได้แล้วก็ตีสามก็โยมกลัวจริงๆค่ะพระอาจารย์โยมไม่ได้ไม่ได้กลัวเล่นๆค่ะก้อนหินโยมยังไม่มองเลยค่ะพระอาจารย์โยมรู้สึกมันหลอนไปหมดแต่ว่าก็ต้องค e ป p ู o o ค่ะรักษาภาพโพสค่ะ แล้วก็พอยมลงมาข้างล่างที่ศารานะคะมีน้องๆที่บวชเป็นพรามอะค่ะเขามาถามโยมว่าพี่ขึ้นเขาเป็นยังไงหนูอยากขึ้นหนูกลัวโ ย, ย, ยมบอกว่าพี่ก็กลัวแต่ว่าพอยมไปครั้งหนึ่งเขาก็มาหาโยมบอกว่าพี่หนูขึ้นเขาแล้วนะอ๋อดีดีดี ด, ดีแล้วก็มีคนหนึ่งเมื่อขึ้นเขารอบนี้ค่ะบังเอิญเราลงมาฟังธรรมพร้อมกันในรถกุนตุ้มใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าพี่หนูอยากบอกพี่มากเลยว่าขอบคุณกําลังใจที่พี่ทําให้หนูกล้าขึ้นเขา โยมก็บอกโยมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ความกลัวของโยมมันทาให้อีกหลายๆคนกล้าขึ้นเขาไปอะคะ่ะ mm hmm. อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอมืมันก็ไม่ใช่ความกลัว ม, มันไม่ได้มันอยู่กับเรานี่มันดีนะคะโยมไม่ต้องไปหาแล้วก็โยมก็มาสู้กับมั น, นะคะ่ะตอนนี้คือสบบามารถออกมาเดินทีสามออกมาเดินจงกรงข้างนอกได้ะคะ่ะ mm hmm. ตอนกลางคืนก็ออกมาได้แล้วก็ mm hmm. ตอนวันนั้นบังเอิญ น, นะคะไม่ได้ตั้งใจ โยมกับขึ้นเขา ว, วันแรกโยมก็นั่งภาวนาตั้งแต่ประมาณหกโมงประมาณห้าโมกับหกโมงอนะคะจนกระทั่งฟ้ามันมืดไปแล้วอะค่ะแล้วก็โยมไม่ได้ปิดช่องแสงฟ้ามืดเออมันก็อยู่ได้นะเดยที่เราไม่ไ ม, ไม่ปิดไม่เปิดไฟก็ได้คืนนั้นก็ลองไม่เปิดไฟดูแต่ว่าการภาวนาของโยมจะไม่ค่อยดีถ้าเปิดไฟอ่ะแล้วก็พอเดินจงกรมเดินจงกรมมาทีมันฟุงโยมก็มาใช้เกสาโรมาณขาทันตาตัะโจ ค, ค่ะลอกมันออกไปทีละชิ้นทีละชิ้น ตั้งแต่ผมล่วงออกไปขนคิ้วขนตาออกไปแล้วก็พอทเกษารวมาหน้าขาก็คือเล็บหลุดออกไปเลยแต่แด ง, แ, งแดงๆแล้วก็พอทันตาก็ล่อนออกค่ะแล้วก็หนังพอตโจก็ออกไปเลยค่ะเหลือแต่ว่าตัวที่เยิ้มเยิมเป็นเส้นเลือดเดินพอเดินแบบนั้นมันจะนิ่งค่ะอาจารย์โยมใช้วิธีนั้นเมื่อแบบฟุ้งนะคะแล้วก็การนั่งภาวนามันนั่งได้ดีค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องคนนึงเขาถามบอกการโยมก็แบบโยมพอลอา ภาวนาวันแรกมันมันได้เลยใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้ขึ้นสามวันแรกเนี่ยคือการวอร์มค่ะจแต่คือวันนี้ขึ้นไปข้างแรกก็คือได้แล้วคราวนี้ก็เกิดความอยากจริงๆค่ะนั่งนั่งนั่ ง, งแล้วก็ไปเดินนิดนึงก็มานั่งแต่ว่าโยมจะใช้การเดินหนึ่งรอบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งนั่งเยอะคาดหวังมันไม่ได้ค่ะก็เลยมานั่งกอดเข่าที่เก้าอี้พอมานั่งกอดเข่าที่เก้าอี้มันรวมค่ะจ๊ะมันรวมเองเฉยๆค่ะ แล้วก็บอกเออมันก็แสดงว่าเราอยา่าไปคาดหวังกับมันค่ะแล้วก็ไม่จากสักครู่นี้ที่บอกว่าการเผาร่างกายโยมเคยทําครั้งหนึ่งที่โยมเรียนอาจารย์นะคะว่ามันปวดท้องโยมก็เลยให้มันเผาเผาจนหมดแล้วค่ะแต่เหลือช่วงการท้อ ง, ท, องที่มันเป็นเหมือนไฟสูงขอนะคะมันเหมือนดําๆแล้วก็มีไฟสีแดงข้างในมันไม่เป็นแบบที่อาจารย์บอกโยมต้องทํำยังไงต่อะคะ่ะต้องคิดไปเอาเอง ให้มันให้มันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ให้มันกลายเป็นที่เท่าไปให้หมดมันส่วนอื่นไปหมดแล้วค่ะส่วนอื่นดำมันเผามัต่อไปก็เผามันต่อไปเอาไปจนความเป็นกายเป็นที่เท่าไปนั่นก็โยมลองทําดูโอ้มันไม่ได้แล้วก็พอคำนี้ก็ลองใหม่ก็ไม่ได้ค่ะเมื่อมันไม่มีความเจ็บค่ะอาจารย์มันก็ไม่ได้ทีนี้ก็ใช่ค่ะแต่พอการนั่งภาวนาเนี่ยตอนนี้โยมตั้งเป้าไว้ว่าหนึ่งชั่วโมงตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้ มันจะรวมแล้วมันออกอยังไงก็นั่งต่อให้ครบหนึ่งชั่วโมงเพื่อเอาอุเบกขาตรงนั้นนะคะเพื่อให้มันเจ็บแล้วก็คลายก็ใช้ได้คะ่ะตอนนี้โยมตั้งใจไว้ว่าโยมจะนั่งภาวนาวันละสองชั่วโมงเดินจงกรมวันละสองชั่วโมงคะ่ะปฏิบัติบูชาค่ะอาจารย์ธุ่า ท, ที่บ้านแล้วที่ว่าที่ที่บนเขาอ่าที่ที่กลับมาที่บ้านคราวนี้ค่ค่ะบนเขายอมเดินวันหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อวันค่ะ S <S แล้วก็นั่ ง, งนั่งภาวนาคือพอเดินจงกรมเสร็จก็มานั่งภาวนาตอนแรกอ่านหนังสือไม่อ่านแล้วนั่งอย่างเดียวนั่งแล้วก็ <S 2> <S 2> ค่ะเอายอมจะเป็นความโลภอย่างหนึ่งค่ะตอนแรกอ่านหนังสือไม่เอาแล้วใกล้ใกล้เสียดายเวลามันมีอารมณ์เสียดายเวลาตรงนั้นค่ะพระอาจารย์ืม เ, เดินจงกรมพอกลับมาจากฟังธรรมใช่ไหมคะยมกลับขึ้นมาปุ๊บยมก็เปลี่ยนสภาพผยมเดินจงกรมจนถึงทุ่มกว่าสองชั่วโมงปกติเลยค่ะแล้วมารู้สึกน้ําตามันจะร่วงมันต้องกลับแล้วว่ะ ก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกวันลุกขึ้นปีสองครึ่งออกมานั่งภาวนาแต่ว่าปิดไฟไม่กล้าเปิดเกรงใจคนละข้างๆค่ะก็เลยปิดไฟมานั่งไม่ดียมก็เลยลุกขึ้นมาใหมายเปิดไฟปีสามนั่งรวมได้ดีกว่าค่ะยมก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนให้อินทรีย์ยมแก่กล้าก่อนแล้วยมค่อยค่อยปรับไปอีกระดับหนึ่งอาจารย์เนยค่ะยมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะยมได้คําตอบว่า ความท้อของโยมมันดีตรงไหนได้คําตอบจากคําโอวาทธรรมของพระอาจารย์บอกว่าเออให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้แล้วก็อุเบกขาเพราะว่าไอ้ไอที่โยมท้อเนี่ยมันไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากความคิดเวลาเรานั่งภาวนาะความคิดที่มันความคิดที่ไม่ดีเราก็จะคอยห้ามมันทําให้เราเสียเวลาพอห้ามมันเสียเวลาก็เลยบอกห้าเราต้องเสียเวลากับการปราบแบบนี้เราแย่จนกระทั่งมาฟังคําของพระอาจารย์วันนั้นก่อนขึ้นเขาอ๋อมันอยากจะคิด อย่าไปให้ค่ามันสักแต่ว่ารู้แล้วก็อุเบกขามันหายไปค่ะพระอาจารย์มันหายไปมันใช้ได้ดีทีเดียวค่ะพระอาจารย์ยอดนี้มากค่ะยมโยมมีความสุขกับการหยุดตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ยมจะปภาวนาค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณกับเรือนภาวนาด้วยค่ะโยมถวายปฏิบัติบูชาด้วยทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณนะคะยมจะตั้งใจค่ะ อ่าใบที่คนโลกตานต่อโรคตานกับคนแม่ค่ะมาตรการค่ะพระอาจารยังปฏิบัติอยู่ค่ะแล้วก็ยังอดข้าวอยู่นะคะพระอาจารย์อ่าพิจือมือเดียวหรือสองมือก็หลักๆก็มือเดียวค่ะมือเดียวเลยอือค่ะก็ถือว่าถือศีลแปดในตัวเลยหรือเปลานอกากข้าวอย่างเดียว ก็หนูจะหยุดกินตอนไม่เกินบ่ายโมงค่ะเที่ยงบ่ายโมงประมาณนี้ค่ะก็จะหยุดแล้วค่ะกินครั้งเดียวกินครั้งเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็รักษาด้วยแบบดูหนังฟังเพลงหนูยังดูหนังหนูยังดูข่าวดูซีรีส์อยู่เลยค่ะหนูก็ <Okay. S 1> แต่หนูฟังเทสทุกวันนะคะเพราะหนูถอดถอดการเทสของพระอาจารย์ทุกวันค่ะตอนนี้ถอดอยู่เลย ถอดค่ะหลังจากพระอาจารย์เทศสามสิบนาทีอหนูก็จะถอดได้วันละหนึ่งกันหนูก็ถือว่าได้ฟังฟังธรรมะใช่ครูก็ช่วยแบบไม่ค่ะไม่ไมฟังเองฟังแล้วก็พิมพ์ค่ะเพราะอยากได้อยากได้การฟังด้วยค่ะอืมก็ดีไม่กันตานนี้เทศชั่วโมองนี้ต่างกับตอนนี้เทศชั่วโมงหรื อ, มองไม่ไม่ต่างค่ะสุดท้ายแล้ว พอนาทีท้ายๆก็ก็พระอาจารย์ก็เทศแบบจนขยายลงมาเป็นสองสามหน้ากระดาษได้เหมือนเดิมค่ะค่ะก็ความเข้าใจยังยังเหมือนเดิมทั้งหมดเลยค่ะพระอาจารย์โอเคีค okay, ่ะบางทีหนูปฏิบัติแล้วหนูมาถอดกันเทศหนูก็ได้คำตอบเลยอคุณแม่เป็นยังไงบ้างค่ะหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะถ้าถ้าช่วงไหนช่วงไหนที่ ปฏิบัติทีทีอ่ะมันก็จะร่างกายมันก็จะขยันขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะค ะ, ะแต่ถ้าห่างไปนหน่อยก็จะเริ่มมีความขี้เกียจเข้ามาค่ ะ, ะแล้วเราก็จะอยู่กับเวลาทำงานเช่นล้างจานหรืออะไรหนูจะอยู่กับอิเลียบทย่อยออแต่ถ้านั่งถ้านั่งสมาธิหนูก็ใช้พุทโธนำก่อนแล้วก็ใช้ดูลมค่ ะ, ะดูลมหาใ ค่ะแต่ถ้าวันไหนอะจิตมันเข้าได้เข้าสมาธิได้มันจะขยันคะออแล้วมันก็มีกำลั ง, ม, ลงมีกำลังใช่ก็มีพลังแล้วแล้วช่วงหลังๆนี่มาในหนูก็ตัดสังคมออกไปเกือบหมดแล้วค่ะยังเหลือยังเหลือแค่ว่าไปเลี้ยงไปเลี้ยงหมาจอค่ะอันนั้นเป็นการทำทานนะค่ะก็ก็ทุกวันก็คือจะทำทานศีลภาวนาให้ได้ครบอะค่ะ แล้วหนุกหนูสอคนจะใช้เงินกองกลางด้วยกันค่ะแล<น>้วก็ลูกจางค่ะจะได้บุญด้วยกันเพราะว่าเขาทําบุญอะไรเขาก็จะมาบอกเออแม่วันนี้ทําบุญอันนี้นะช่วยคนจนอันนี้นะช่วยคนซื้อของอันนี้นะอันนี้อันนี้ช่วยจ้างคนไปเกี่ยวหญ้าให้กวางนะเนี่ยหนูก็จะทําบุญด้วยกันแบบเนี้ยซื้อน้ําแจกทหารอะไรพวกนี้ค่ะดีช่วยกันทำเพราะบาเราคนเดียวก็ไม่รู้จะไปทําที่ไหนบ้างนะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเขาอยู่กับเราอินเทอร์เน็ตเขาก็จะเห็น คนที่ลำบายยากจนเนี่ยแต่หนูไม่ได้หนูก็ได้ใช้เน็ตอย่งนั้นหนูก็จะอยู่กับโลกของความเป็นจริงคือไปเลี้ยงหมาจรไปอยู่ไปเอาของที่พลทหารคืนคือที่หนูเลี้ยงน่ะหนูได้การสนับสนุนจากผู้บุคคบัญชาของหน่วยด้วยค่ะเขามีใจด้านนี้เขาก็ให้ให้อาหารให้อะไรข้าวข้าวจากโรงเลี้ยงที่เหลือค่ะที่เหลือจากพลทหารกินแล้วก็ให้เปเลี้ยงหนูก็ได้อยู่วันหนึ่งประมาณ80ิถึงรอยตัวค่ะ นี่ช่วยกันไปค่ะแล้วก็รักษาทำหมันอะไรเงี้ยให้เขาให้เขาเหลือน้อยลงค่ะ mm hmm. แล้วก็อันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นเราก็เหมือนกับว่าพอป่วยหมอตานลูกตางเขาจะไปช่วยรักษาหรือคุณผู้ใหญ่เขาก็จะสั่งให้อมาที่บ้านที่คลินิกอะค่ะ mm hmm. มันเหมือนเป็นคอนเน็กชันเชื่อมต่อทําให้เราอ่ะได้ปกป้องเขาไม่ให้มีใครกล้าไปรังแกเขาได้เพราะว่า mm hmm. ผู้บังคับบัญชาพอมีอะไรขึ้นมาเราเราเรียนเขา mm hmm. เขาก็จะรีดจัดการให้ค่ะอื mm hmm. มันก็เหมือนสร้างให้สังคมตรงนั้นน่ะมีความสุขอยู่กันด้วยแบบสังคมที่มีเมตตาค่ะอ่าถูกต้องดีค่ะแล้วหนูก็จะชอบมองพวกคนทหารเวลาที่เขาเดินมากินข้าวเลยเนี่ยมองเป็นโครงกระดูกเดินมาก่ะอ่อืมค่ะอย่าบอกลูกตาเลยมองมองตัวมองตัวเราด้วยมองตัวเราด้วยค่ะเหมือนกันมาเราเหมือนกันหมดความจริงร่างกายทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดีไม่มีชั่วน้ำใจ เป็นแค่ยอดที่สองแต่เวลาเขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอย่างเงี้ย น, น่าสงสารนะคะพระอาจารย์เพรานเขาไม่รูอ้อะไรบางทีก็ทำบาปด้วยความหลกไม่เชื่อว่าบาปไม่จริงขม่รู้เขาก็ทำไปอยู่ด้วยความลําบากอยู่ได้ ว, ไดวันหนึ่งก็ได้กินแค่มื้อเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นความลําบากเนี่ยอย่างฝนตกก็ไม่มีที่หลบฝนอ่บางจุดก็ไม่มีที่หลบฝนแล้วอยู่อยู่แค่ กะตายต้นไม้ค่ะก็พยามองว่ามถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมไปวิบากกรรมของใครของมันก็ทำให้ทาให้เราทาให้หนูว่ากลัวกลัวเรื่องเรื่องการทำารรมใช่คะ่ะแล้วก็ <S 2> <S 2> แล้วก็พอพอมาพบพระอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนเวลาตายสัตว์เลี้ยงตายหรือพวกเนี้ยที่เราดูแลเขาตายเราก็จะฟูมฟายเสียใจเดี๋ยวนี้เราก็เข้าใจแล้วเขาว่ามัน มันเป็นกฎของตายรักอะทุกคนต้องเจอเนี่ยค่ะเต็มที่แล้วไม่ได้ก็ก็ต้องวางเนี่ยค่ะใชก็ต้องไปกันทุกคนต้องข่าวทั้งเราค่ะห น, หนูหนูก็หนูก็ลูกตาในโชคดีที่มีโอกาสได้มาพบพระอาจารย์แต่ที่การปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยได้สงสัยอะไรเพราะว่าฟังเทศของพระอาจารย์ประจำแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือฟังธรรมะแล้วก็ แชร์เก็บไว้ในในไลน์ส่วนตัวมาเปิดฟังเนี่ยค่ะแล้วก็เข้า z ู o เข้า z ู o อะไรนะเข้าที่คุณอวีคุณหมอวีวันอาทิตย์ก็จะเข้าไปนั่งฟังค่ะแล้วก็ฟังซู o จากพระอาจารย์ฟังเทศอ่านหนังสือมันก็จะเลยทําให้ว่าไม่ไม่มีอะไรที่ไม่ค่อยมีอะไรที่สงสัยอะค่ะค่ะทําตามทําตามว่าพระอาจารย์ทําแบบไหนก็ทําค่อยๆทําตามไปอะค่ะอดีได้ผลดี ใจสงบขึ้โอ้มันมันเป็นคนละคนเลยค่ะพระอาจารย์มันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากชื้มืก่อนไปเยอะค่ะความกลัวก็น้อยลง <c oughs> <c oughs> ความกลัวน้อยลงความอยากมีอยากได้น้อยลงแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่ากลัวไม่มีตังค์ใช้มันก็ไม่ไม่กลัวค่ะตอนนี้คื อ, อ ม, มีน้อยก็ใช้น้อยแต่ต้องทําบุญทุกวันเนี่ยค่ะอือค่ะ าบางวันบางวันหนูก็แทบไม่ได้ใช้ตังกันเลยนะคะเพราะเรากินน้อยใช้แต่ทำบุญอย่างเดียวนะค่ะกินน้อยลงอย่างเมื่อก่อนอะ่ะว่ากินจะไม่หยุดเดี๋ยวนี้ก็กินแค่มื้อหรือสองมื้อก็จบค่ะอืมดีโอเคทำต่อไปนะาการกขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะคุณหมอภาสนาต่อการทมาสกา ร, ร ค, ค่ะพระอาจารย์ ก็ยังปฏิบัติตามเรื่ น, น, นะคะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ได้เข้าเพราะว่าไปวัดค่ะพระอาจารย์ไปห้าวันฝนตกน้ําท่วมแต่ก็ไปไปดูก่อนแล้วค่ะพระอาจารย์ก็<อ>คง<ป>จะน่าจะไม่ท่วมถ้าตั้งสัตว์ใจไว้ต้องรักษาสัตว์ใจไว้ค่ะไปแล้วโยนวมันเหตุสุดวิสัยไปไม่ได้ก็น้าไปถ้ายังไปได้ก็ดิ้นไปค่ะไปห้าวันนะคะพระอาจารย์ก็เราก็ไปหาลูกคนหนึ่งค่ะ ก็อาทิตย์นก็เลยยังไม่ได้เข้าซูมเดี๋ยวกลับมาแล้วจะค่อยมาเรียนเลยนะอาจารย์ไปสองคนเหมือนเดิมพี่หนุ่มไปด้วยแล้วก็ชุดเหมือนเดิมนะสางชุดหน้าฝนค่ะอาจจะต้องใส่ซ้ําแล้วคราวที่แล้วซักไม่แห้งคราวที่แล้วสามตัวห้าวันฝนมันตกไม่แห้งพระอาจารย์เดี๋ยวคราวนี้จะต้องสกปรกแล้วต้องไม่ซักใส่สละโอเคครับอาจารย์ใครต่อเมื่ี้คุณวิไลพรเข้ามาแล้วเดี๋ยว เรืเอีนทางคนห น, หน่อยก็ชาตินัยคุณสารการเจอิญคุณสารการมชามาใส่บาตรถึงที่วัดเลยมากล้าอาจารย์มาฟังธรรมค่ะอาจารย์เชานี้มาจากจหน่าเนยเนาะมาค้างคืนค้างคืนหนึ่งค่ ะ, ะแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็กลัถึงวาเรียบร้ อ, อยดีรถชนกันไยมคะแต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรค่นะเขาชนเราแล้วเราชนเขาแปรน่ะเขาขับรถก็คือเขาว่าชอบแบบเปิดเพลงอันนูน้นอันนี้ลูกเคยเตือนแล้วเขาไม่ฟังอืจะหาว่าลูกพอลูกอ้ปาปากจะพูดเขาก็บอกว่าบน่านระับชนเองแล้วก็เขาบอกลูกก็ น, นิ่งแต่ลูกอ่ะไม่ได้อะไรแล้วก็ลูกก็นิ้งในใจว่าจะได้เรียนรู้ว่าเออขับอย่างเงี้ยเรามันก็จะชน เขาเยไม่มีสติขับรถแบบไม่มีสติใช่เขาชอบว่าลูกไม่มีสติแต่เขา่าทั้งเปิดแล้วก็ดูเช็ดกระจกมืออะไรมือไปหมดเลยไม่ได้อยู่การคํารถอย่างเดียวใช่ อ, อพูดไม่ได้พูดแล้วก็วออลูกพอลูกเฉยพอลูกมาฝึกเนี่ยถ้าสมมติว่าเออถ้าเราแบบแต่ก่อนอะเราโมโหวีน แต่ทีเนี้ยพอเราเฉยเนี้ยเขาลูกว่าเขาอะจะเยอะบางทีลูกก็ต้องดุ บ, บ้างนะคะอาจารย์อืมป่ะไม่เป็นไรอ่ะว่าจาย์ค่ะเมื่ไงมีประกันเนี่ยเออมีประกันค่ะแล้วลูกก็ลงไปดูแล้วลูกก็บอกฟังที่ว่าอาจารย์สอนว่าเราอย่าไปหมิดกรรมต่อ ก, กันลูกก็เลยให้ตังเขาเพราะว่าลูกเกลีใจที่เขาแบบมาเสียเวลาอตบด้วย เขาไม่บาดเจ็บไม่มีใครบาเจ็บไมไม่มีอะค่ะอาจารย์ค่ะคค่ะเป็นบนเรือนเนี้ยไม่มีสติกลต้องเสียสตังถ้ามีสติก็อาจาค่ะค่ะสตินี้รักษาสตังไว้ให้ได้นะอ๋อใช่วันนี้ก็เลยไม่แวะไหนเลยเสียตังค่ะค่ะอาจารย์โอเคานุ คุณยินดีเชิญตอนนี้ยังอยู่ที่ New y อ r k กล้ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะยังอยู่ที่เดิมค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ค่ะคำถามก็คือว่าในกรณีที่ว่าคำว่าเมตตาพมวิหารสีเนี่ยคะ่ะเรามีเมตตาเรามีกรุณาแล้วเราก็มีมุติตาแต่อุอเบคาเนี่ยคะ่ะเราจะวางตรงช่วงไหน เพราะว่าช่วงที่เราใช้ใช้เมตตาไม่ได้ใช้กรมมนาไม่ได้ใช้บุติตาไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาก็ด้วยความที่ว่าอย่างเพื่อนบ้านด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะอายุเจ็ดสิบเอ็ดพอเจ็ดสิบแล้ช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องต้องวางใจเฉยๆไปอย่าไปทุกข์อย่าไปเศร้ากับความความทุกข์ของเขาเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไปอุเบกขา แล้วลูกก็มาคิดพอเสร็จแล้วมันก็จะผุดขึ้นมาว่าตรงที่น้องแจ็กกี้กับจนน่นะแตค่ะขอท้องที่ว่าคนเรามีการเป็นแดนเกิดมีการของว่าจบอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็<ๆ>ก็ก็ก็ก็ก็ปล่อยค่ะเพราะเพราะว่าปล่อยก็เป็นอุเบกขาไปเฉยๆเป<ๆ><ๆ>ไม่ทุกข์กับเขาเราก็ไม่ทุกข์ด้วยเขาก็จะทุกข์กัเรื่องของเขาไปเราช่วยเขาไม่ได้ท่าไม่ทุกข์ค่ะแต่แบบคือพยายามเราก็แบบคืออธิบายแล้วพอมา คือช่วงหลังเนี่ยเหมือนเขาสติแตกกันเนาะเหมือนเหมือนเขาสติแตกอะค่ะท่านอาจารย์เราก็บ้านเนี่ยเราก็พยายามเปิดให้เขาบางทีเราเรากำลังนั่งสมารท์ที่อยู่พาทีเขาเข้ามาแบบสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็ปล่อยให้เข้ามาแล้วเขาก็เว้นเขาก็ระบายระบายพอเสร็จแล้วหนูก็ปล่อยเขาแล้วหนูก็ให้ทําให้ทํำมากเขาพอมาช่วงหลังเนี่ยเหมือนหนูก็ไม่ทราบว่าเออ หนูบอกเขาว่าให้ให้ให้ให้ให้ให้นี่ให้ให้ทำสมาธิอยู่่ะเออไมฟูเนตอยะมันมันยังไม่ได้มันอ่อนเกินไปให้ทํานะให้ทํานะคนเราถ้าพอคพอมาช่วงหลังเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าเขาผูดมีลุ้งเรื่องอะค่ะท่านอาจารย์ลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ทางกายทางมันก็ก็แล้วพอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์่ะค่อ เขามาแต่เช้าเลยแล้วแบบเแล้วเดวิดกับลูกเกากําลังทานอาหารเช้าอยู่พอเขาเปิดมาเดวิดบอกว่าเนี่ยมาแล้วของอยู่หนูก็หนูก็เลยเปิดพอเปิดบ้านปุ๊บหนูก็เลยบอกว่าอยู่ทานอาหารเช้าหรือ ย, ยังเอถ้ายังไม่ทานมาทานกับเราก็ได้เนี่ยเรากําลังทานอาหารเช้าอยู่เขาก็บอกว่าเขาทานแล้วแล้วเขาบอกเขาขอเข้าไปหน่อยหนูก็โอเคพอเข้ามาปุ๊บเขาก็ เขาก็ระบายแต่เดวิดเนี่ยเขาเขาไม่เหมือนเราถูกไหมฮะอาจารย์เขาก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นพอเสร็จแล้วพอพอเสร็จแล้วเดวิดเขาก็คือเขาพูดพูดพูดพูดแล้วเขาก็แบบพูดเหมือนควรจะติแตกแล้วเดวิดเขาเลยบอกว่าหยุดหยุดได้ไหมเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็เขาก็ไม่พอใจแล้วเขาเขางอนเขาโมโหเขาก็เขาก็เดินไปแล้วแล้วเขาก็เดินกลับไปแล้วเขาบอกเขาซอรีที่อินเทอร์รับหนูก็หนูก็เรียกเขา เขาก็ไม่ฟังหนูก็หนูก็เลยในใจก็เลยพูดขึ้นมาคาว่าคนเรามีแดนมีกา ร, รเป็นแดนเกิดมีกา ร, รเป็นของของตนหนูก็เลยปล่อยแล้วหนูก็ก็หนูคิดว่าก็แล้วแต่ก็ตามนี้เลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ค่ะเขาไม่ได้เบิเขาไม่ฟัง <ปะ S 2> แล้วแล้วเดวิดเขาบอกเดวิดว่าหนูว่าคำนึบกบ่าเฮ้ยยินดีที่เนี่ยมันไม่ใช่ลงมาลโลกจิตนะหนูก็ เขาพูดมาตรงนี้ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าเดวิดยูตบปากตัวเองไปเลยแบบหยุดพูดไปเลยเพราะว่าเขาอายุเจ็ิแล้วนะเขาไม่ใช่รุ่นหนุ่มรุ่นสาวถ้าเกิดเรานั่นได้ก็นั่นแต่ยูมันเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยยู you ดูสิไปไปมาเขากลายเป็นแบบไม่รู้จักการรัศาสตร์เลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเออแบบยูปล่อยเถอะหนูก็หนูก็เลยบอกเดวิดว่าหวังว่าแล้วหนูก็หนูก็เลยบอกเขาว่า อย่าคิดแบบนี้นะหนูก็บอกว่าหวังว่าตอนเวลาเราอายุเยอะแล้วอ่ะเจ็สิบเอ็ดแล้วอ่ะหวังว่าคงไม่เป็นแบบนี้นะนี่ไงถึงบอกไงว่าให้ทําสมาธิแล้วก็ให้เจริญสติก็นี่ไงนี่ไงที่กําลังทำกันอยู่เนี่ยเห็นไหมก็ดูเอาละกันว่านี่แหละอาจารย์เอย่างนี้หนูเห็นโทษของการเกินดนะคะเกิดแล้วมันทุกข์อือเจ็บตายมันทุกข์จะตายเลยแต่ก่อนมองไม่เห็นนะพี่แต่ก่อนหนูมองไม่เห็นนะคะท่านอาจารย์ เขาอยู่คนเดียวเหรออืมเอยู่กับแฟนแต่คื อ, อด้วยความที่มปัญหาค่ะใช่ไหมอาอาจารย์เปนคนติดใครเข้ามาในช่วงนี้หรือเปล่าใช่แล้วหนูก็ดึงค่ะช่วงแรกดึงมามานะคะท่านอาจารย์แล้วก็หนูก็แล้วช่วงที่หนูอยู่ฝรั่งเศสหนูก็ให้หนังสือเอ่อเข้าไปแบบช่วงที่อยู่คนเดียวที่หนูไม่อยู่เผื่อจะได้ส ง, งบวิตกตีอารมณ์เข้าก็เอาหนูให้หนังสือท่านอาจารย์ไปค่ะ Beyond เอ่อ Beyond Birth อะค่ะท่านอาจารย์ของของท่านอาจารย์เพื่อที่จะได้มีไอ้นี่ มีกําลังใจแล้วพอเข้าไปแล้วหนูมีความช่วงหลังเนี่ยแหละเขาแบบไม่ไม่ไม่ไปแล้วหนูเสียดายหนังสือหนูก็เลยทวงคืนหนูเสียดายหนังสือหนูก็เลยทวงคืนที่แรกเออ ไ, ไ, ไม่เป็นไรก็ให้เข้าไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะหนูคิดว่าไม่เป็นไรแต่ก็เสียดายนะคะเพราะว่าหนูหนูชอบตรงที่ว่ า, เ, าเวลาอ่านหนังสือแล้วมันเปิดแล้วมันมันมีความรู้สึกอะค่ะถ้าอาจารย์หนูไม่ค่อยชอบเรื่อง iPad เรื่องเปิดพวกอย่างเนี้ยคะ่ะถอาจารย์พอเป็นหนังสือแล้วมัน มันสบายตาค่ะแล้วมันอ่านแล้วมันมันไอ้นี่อะค่ะแล้วมันเป็นหนังสือของท่านอาจารย์ด้วยค่ะก็เลยเก็บหนูไว้แล้วหนูก็หนูก็เลยทวงคืนมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมละแบบคือถ้าอยู่กับคนคนนี้ก็ไม่ได้อ่านอยู่ดีดังนั้นเอาของเรากลับดีกว่าหนูเลยค่ะท่านอาจารย์ก็มีแค่นี้ค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ที่ได้เจอธรรมะทําให้เห็นโลกมันในด้านที่แบบมันจเจริญเห็นความจริง อาจารย์มันจะทำความจริงชีวิต น, นี้เป็นทุกทุกที่เราเกิดมาเลยเกิดก็ทุกหน้าตาแต่ก่อนมองไม่เห็นเลยนะท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเราก็เริ่ม ม, มองเห็นอะตรงข้ามบ้านก็แก่พอแก่เสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ก็เออมันก็เห็นนะท่านอาจารย์แต่ก่อนมองไม่เห็ น, นะะอ่ะอาจารย์ก็เท่าเนี้ค่ะบอลสองเตะเหมืนอนเดิมค่ะบอนสองเตะเหมือนเดิมนะท่านอาจารย์ก่อนไปเหมือนเดิม ว <Okay. S 2> ่าจะพระอาจารย์มานะบอดชองเต้ น, นะข oh, อบค y o เจ้าขบค น, นะพาอาจารย์หญงสูงค่ะโ okay. อเคถ่ายตาคณปุ้ยใจคุณปุ้ยตาก่อนวับราชการค่ะพราจารย์อ่าเป็นยังไงคุณปุ้ยเองค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ <c oughs> ไม่มีค่ะเพียงแต่จะมาะรายงานตัวกับพระอาจารย์ว่า อันหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาโยมอาจจะหย่อนไปหน่อยเพราะว่าโยมไม่สบายเดี๋วโยมเป็นอะไรไม่รู้แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบมันมันมันจะมันจะมานั่งสมาธิแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมีอะไรมาทับตัวแล้วมันปวดหัวมันนั่งสมาธิไม่ได้แล้วยอมลำคัญตัวเองอะโยมต่อสู้กับตัวเองโยมทะเลาะกับตัวเองโยมไม่ เออวันนี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะโยมเป็นมาสองสามวันและโยมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรว่าโยมก็รู้สึกแบบเหมือนกับทะเลาะกับตัวเองแล้วโยมไม่สบายด้วยมันปวดหวัวหรือว่ามันจะเป็นเพราะอากาศหรืออะไรคะพระอาจารย์ก็มองว่าเป็นน้ำตาอะไรแล้วเนะี่ยเราควบคุมบางครั้มันไม่ได้คนระับไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่เป็นอะไรก็ให้รู้ว่เป็น บางทีโยมอะํำคาญนะโยมก็เลยบอกกับพระพุทธเจ้าบอกว่าช่วยโยมด้วยทีเอาตัวขี้เกยียจเนี่ยออกไปหน่อยบางจริงจริงอะมันทำไม่ได้แนละ้วมันจะอยู่ก็อยู่แล้วบางทีโยมคือคือโยมนั่งอะมันนิ่งแต่ว่าโยมปกติจะนั่งสามสี่ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมฮะอนี่ไม่รวมสวดมนต์ไหวพระและทีนี้โยมรู้สึกว่าโยมหย่อนไปเพราะว่า มันรู้สึกมันเหมือนเวลาเราจะนั่งมันเหมือนมีคนแกล้งเราอ่ะมันเหมือนมีคนแบบทําให้เราปวดหัวอย่างเงี้ยพระอาจารย์อืยมก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะอากาศหรือมันเป็นเพราะอะไรมันจะเป็นอะไรก็ช่างราะมันให้เราจะรู้จักวิธีปฏิบัติของมันดีกว่าวิธีปฏิบัติก็อย่าไปยุ่งกับมันเราก็ทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนเลยยมก็ปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์สอนว่า ให้พูดโทรพูดโทแล้วโยมก็น hmm. <Welcome>. ั <Good. S 3> ่งพระอาจารย์ไปแเมื feet, ่อเช้า no, ก uh ็โยมก็ฟ um, ังหลวงตาบัวไปโยมก็ขอโยมบอมอกงตาหลงตาบัวช่วยมาข้อหัวโยมหน่อยโยมไม่ไม่สนองไงดีมัมก็เลยขออย่างเงี้ยเหมือนอยากแบบเราไม่อยากแบบว่าอยู่ในกิเลสแล้วเพราะเราโยมรู้สึกว่าคนทุกวันเนี้ยเวลายอมเดินออกไปนอกบ้านเนี่ย คือเขามองเราอะว่าเราเป็นคนแปลกแต่เรามองเขาว่ามันมีแต่ความทุกข์อะคนมันมีแต่ความทุกข์มันมันเก็บมันทุกข์มันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันขุพระอาจารย์เราก็เลยอยากอยากจะเดินโยมก็กับขอบพระคุณพระอาจารย์โยมก็ไม่มีอะไรมากเพราะโยมก็รู้สึกว่าโยมมีบุญที่ได้เจอพระอาจารย์โยมมีบุญที่ได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์แล้วโยมถึงได้มีวันนี้ค่ะ โยมก็จะเดินทางทำตลอดไปอ่ะค่ะแต่ถ้าอยมจะหย่อนยานหน่อยก็ขอประมาณพระอาจารย์แต่วันละวันมีเพิ่มมีลงเป็ธรรมดาตมันไม่จัไม่เทียงแท้แนลงแต่ทุกวันเนี่ยโยมก็ต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นให้ได้ค่ะนี่คือนี่คือมันมันติดเป็นนิสัยหรือไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันมันรู้สึกว่ า, วาเฮ้ยเราต้องทำอย่างเงี้ยมันมันมันจะเอาตรมาติดมาอย่างนี้เลยค่ะ ยองถึงจะไปแบบชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงแต่โยมก็ต้องทาค่ะอค่ะดีมากขอ้ทํา่อไปนะทาเนี่ยทาทุกวันขอพลังพระนะก็มา้นหน่อยอืมหมีดวงตาเห็นทำเรื่อยนะเห็นสวยในทอันนี้ไม่อันนี้ไม่ให้เห็นได้ครับพอแล้วในนนี้ขอให้พระอาจารย์นะกเก่ง เห็นเลยพจารย์ยังไม่เห็นเลยเห็นสมานเห็นนิพพานดีกว่ามีคนคาดการณ์บ้างนะโอเคนะลาครับลาครับไปไปที่ปันาวินต่อปัญาวินต์สวัสดีครับพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงก็ตอนนี้สติมันเริ่ม สู้กับความคิดได้ครับพระอาจารย์ ม, มันก็ฟัดเมียงกันอยู่ตลอดเวลาครับก็เห็นคุณค่าเขาสติปแล้วใช่ครับเมื่อก่อนนี้มันสู้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มัน ม, มันเริ่มสู้ได้แล้วก็ถ้าสู้ไม่ได้จริงๆเข้าไปเข้าสมาธิครับอาจารย์พอเข้าสมาธิมุกมันจะไปมันจะไปที่ตัวธาตุรู้ครับมันก็ ม, มันจะหลุดหมดเลยครับ ความทุกข์มันจะหลุดไปเลยแล้วก็กลับมาสู้กันต่อครับอาจารย์เวลาทํางานมันจะมีความทุกข์เข้ามาเรื่อยๆครับลองาใช้ปัญญาบ้างก็ได้การทุกข์ขึ้นเหตุของความทุกก็ ค, คือความอยากของเราครับอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เราไม่เป็นตามใจอยากเพราทุกข์ขึ้นแล้วมาว่าอาตุการย์ต่างๆเราบังคับมันไม่ได้ไมันเป็นหน้าตา มันเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเราต้องยอมรับมันน้องอยู่กั บ, บกมันไปเราก็จะได้ทุกขบมันครับอาจารย์เข้าใจไหมนี่คือหลักบัญญาหลักการเห็นใจ้ะครับครับก็เวลามีมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยครับ ม, มันเราเราก็าเราเราก็ไม่นาอะไร เราเลือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรส่วนนี้เป็ส่วนที่ทำให้เราทุกข์ครับก็พยายามคิดให้มันเป็นกฎใจรักครับว่ามันเป็นอนัตตาครับบางทีมันก็จะเป็อยากให้คนอื่นเขาไม่ทุกข์อะไรอย่างนี้ครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้กรบตุ้ครับ แ, แต่อนัตตามไม่อยู่ภายใต้ทำสัน่นของเราครับ ไปอยากให้คนนู้นคนนี้เขาเป็นอย่างใจเราอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นอย่างไงครับคุณครับก็อยากก็อยากเขาไม่อยากก็ไม่พู้ปล่อยทข้าไปมันจะไปง่ายก็เรื่อยๆครับครับอาจารย์นี้ก็ไมันเป็นธรรมาติกันได้ครับอาจารย์ก็แต่ก็เข้าวันหนึ่งสักหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งก็คดีครับอาจารย์มันมันได้ดีดี แต่มหมายถึงว่าเวลาเจอความทุกข์อะไรเช่นนั่นก็อยู่ในสมาธิการใช้ปัญญามากเลยก็จะดีครับครับสมาี่ก็ต้องนั่งเหมือนเดิมเพีแต่ว่าเราจะไม่ใช้สมาธิเพ่อวิธีแก้เพราะมันเป็นการหลบหลบปัญหาแล้ว น, นั้นวิเคราะห์ปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากความอยากของเราเองใช่รเราไม่เห็นใจแล้วเราเห็นใจแล้วเราก็อยากอยากครับ มันจะค่อยๆคลายไปทีละเรื่องอะครับอาจารย์มันมันเป็นเรื่องๆไปมันไม่ใช่ไม่ใช่ทีเดียวจะหมดไปีครับก็แต่ปัญญามันจะฉลาดขึ้นมันจะเร็วขึ้นและเนยไอมันนิ่งใช้ไห ม, มันนี่งฉลาดขึ้นครับตอนแรกก็เป็นเรื่องสิ่งของภายนอกก่อนนะครับอาจารย์เรื่องรถ<ม>เรื่องลาเรื่องเงินเรื่องทอง<ม>แล้วก็ค่อยมา ไห้มาคิดเรื่องร่างกายครับอาจารย์ได้ต่อไปก็ปล่อยวางง่างกายบ้าครับมันเอมีอะไรหรือก็ไม่มีอะไรครับก็สู้กับมันต่อไปครับอาจารย์มันกําลังกําลังพอฟัดพอลเหวี่ยงกันครับตอนนี้มันก็เห็นเห็นเวลามันมันวิ่งความคิดมันขึ้นมาแล้วก็สติมันไปจับเอาไว้อะครับ จับไว้แ like ล้วเราก็ค <graduation> ่อยมาอย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือค่อยมาใช้ปัญญาพิจารณาครับแต่ยังไงก็ต้องใช้สติจับไว้ก่อนนะครับอาจารย์โอเคจริงคือนี่ครับครับน้องเชิญไปบริสุทธิ์อาจารย์ผมไม่ไรต่อไปครับตอนนี้นี่รงเสียงแรงหน่อยนั้นเสีงมันเข้าไปยังไให้าับไม่เข้าค่ะการร้อัดการค่ะ พอลูกครอไม่ไหวหลับไปแล้วคะ่ะได้ปล่อยแค่เส็จได้รอถึงสามทุ่มอันยุ่มากนะอันนี้แล้วก็เหมือนกันนั่นนี่อะไรเข้ามาแว๊บเดียวแล้วก็นนะะ ใ, กใช่ค่ะบอกรอถึงสามทุค่ค่ะเราก็เลยไปนอนดิว<ม>ได้ได้ลิมิตได้แค่นั้นสามทุก็เยอะแล้วอ่ะปกติสองทุ่ไปหลับเมื่อเมื่อเมืม่อวานนี้่าอาจารย์ ซูมกับชาวต่างชาตินะคะ p เฟ f e s s o r ken แล้วก็หลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรเยอะเลย wisdom ที่ให้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ อ, ตนะอัตาฮะตัวตนเยอะเขาจะทําเรื่องน m a t า i x trigger อารมณ์อะไรตอนอะไรมืวานกลยรสึกว่าฟังมันเป็นสิ่งที่เราต้องนํามาใช้อยจริงๆังใช่ปัญหามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ในชนชั้นคนนี้ แต่ถ้าเป็นหรือเปล่าเปนคนจุดชนวนทนั้นเองแต่ตัวที่เป็นตัวระเบิดก็คือปัญหาความอยากเราเราต้องดับไปสัญหาจะริ้วได้เพราะมันมันก็เกี่ยวข้องกันไปหมดนะบางทีมันด้วยอารมณ์มันมามันเป็นอนิจจเราก็รู้แต่มันก็นําทุกมาเราก็พยายามที่จะไปดับมันว่ามันมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะแล้วมันก็ไม่ยากความอยากเราก็คงไม่ได้หรอก เลยต้องเป็นเป็นอารมณ์หนึ่งต้องปล่อยวางอย่าง<ะ>ไรอยางมันจะเป็ น, ย, นยังไงก็ป่อยมันไปค่ะก็ต้องปล่อยมันไปตามนั้นครับ่ะวันนี้ก็เลยได้โอกาสนั่งนั่งไปได้นานเลยเพราะว่ารู้ว่าคิวคิวหลังมากเลยเข้ามาแล้วรู้สึกว่าที่เราเข้าเร็วทำไมเราได้เช้าไม่เป็นไรก็เได้นั่งสมาธิยาวไม่ต้องรอย่างนี้ยมอะไรโฆษณาหรือแบบเตรียอะไร ให้ทนที่อยู่หลังได้มาตักทักหน้ามางแต่สวสูงไวหลับไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้จะเข้าไปกราบพระอาจารย์นะคะเราจะไปถวายอาหารเช้าลุกมาแล้วค่ะลุกมาแล้วได้ยินลุกจับนมัสการพระอาจารย์ในยามไหนหมดสติหมสติเลย ไม่มีสติมากกว่าไปเลยยังยังหูฟังอยู่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไม่ได้มากา๋จะมาแวบเงี้ยโอกาสโอกาสยังไงดูยอนหลังได้ีวไว้ดูดีดยค่ะเดี๋ยววันศุกร์ไปกันโอเคไปเจออะไรนุกไหมจับจับตัว ไปผู้ท่านต่อไปบินจิฟบินจิฟได้ยินแม่คุณจี่ไล่เรียงกลัมามสการ์ดค่ะพระอาจารย์เดยวนะคะกลับพระอาารย์สบายดีนะคะสบายดีอาจอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าค่ะพระอาจารย์จะถามอะไรคะได้ยินเองว่าชาร์จเลยชาร์จมากเลยค่ะไม่มีเสียงฝนเลยค่ะพระอาจารย์มบนยูรีแล้วกลับเร็นมากในห้องนี่ดังเล่าเลยดังเล่ แต่ของของโยมได้ยินชัดนะคะเหมือนปกติเลยค่ะไม่มี<ช><ช>เสียงรบ<ๆ>ออ ก, กวนค่ะ<ๆ>ค่ะค่ะวันนี้พระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะว่าวันพุธที่แล้วยมไปตรวจเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเรียก colonoscopy ภาษ า, ษาไทยโยมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ตรวทอง ใช่ค่ะคือของโยมอ่ะมันถึง Netflix. มันถึงเกณฑ์ที่เขาต้องให้ไปตรวจแล้วค่ะจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยมีความแก่เป็นธรรมดาจริงๆด้วย <laughs> มียังไงสองมีมีตร ง, ม, ม, ตงมีอะไรกันนะแบบมันไม่มีค่ะแต่ว่าคือเหมือนกับคือโยมค่ะมันเป็นภาวะที่แบบตอนนี้เราทานอะไรเข้าไปใช่ไหมคะมันจะตื้อๆ ต, ตรงแบบช่วงลิ้นปีกตรงเนี้ยคะ่ะแล้วคุณหมอ คนที่เป็นคนหมออ า, ายุรแพทย์อะคะ่ะก็บอกว่าโอเคถ้าไปหาหมอที่ตรวจลำไส้อะ่ะบอกคนหมอด้วยว่าให้ตรวจจากบนลงล่างด้วยปกติเขาจะเอาจากล่างขึ้นส่องจากข้างล่างขึ้นบนใช่ไหมคะเขาบอกว่าคราวนี้ของโยมอะเอาข้างบนลงล่างด้วยก็เลยเจออ่าเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นกระเพาะอาหารอักเสบเป็นแบบเบาบ า, บางอ่ะคะ่ะเพิเริ่มต้นเขาก็เลยให้ยาทานสามเดือนนะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าเขาก็ห้ามกินอาหารเปรี้ยวอาหารเผ็ดอาหารแบบ หวานอนะอะไรที่มันเป็นแบบโปรเซตฟูดก็ห้ามกินเลยยองก็แบบเอ่อนี่มันคือโอกาสที่เราจะได้คลีนร่างกายแล้วใช่ไหมก็เลยแบบว่าโอเคอยากใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเออก็ดีนะกินดับผกักหมอบอกให้กินผักเยอะๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเออสงสัยมันถึงวาระทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งเขาเรียกอะไรนะด้วยมันมีเหตุให้เกิดถูกไหมคะ ยงก็เลยแบบก็สงสัยร่างกายมันกําลังเตือนแล้วว่าเราต้องดีท็อกมั้ยกินชาไข่มุกเยอะไปมันละลายมันละกินชาไข่มุกเยอะเกินไปแล้วยมยังกลัวเลยพระชาย์กลัวว่าเขาส่องกล้องมาจะเจอเม็ดไข่มุกหรือเปล่าที่เรากินมข้ไปจะกกาะลมลําไส้หรือเปล่าน้ออะไรหรอมันละลายหมดแล้ว สงคานแค่แบบว่าแค่เล่นกับหมอไงหมอถ้าเจอโบบะแบบไอหมุกบอกด้วยไหมหมอก็โอเไม่มีอะไรค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะแค่จะบอกค่ะเจ้าว่าเมื่อวันจันนะคะเพื่อนโยมแบบน้องสาวเขาอยู่ลาวใช่ไหมคะแต่เพื่อนโยมอยู่ที่นี่แบบเหมือนกับเขาเพิ่งคุยกับน้องวันจันตอนเช้าก็าตอนตอนเย็นน้องเขากลับมาเขาล้มไปห้องน้ําแล้วไม่มีใครเจอคือแบบ ตอนเย็นวันจันคือเสียเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์แบบมันเป็นอะไรที่แบบความตายมันมาเมื่อไหร่เราไม่รู้จริงๆนะคะแต่อตอนหลังเจ้าเมเยอะขึเลยจริงๆค่ะพระอาจารย์เลยเรารู้สึกแบบยมก็เลยด้วตามตามดีโยมให้ม่เ้ใาช่ค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าชีวิตที่เราเหลือนะับจากวันนี้ต่อไปเนี่ยเราควรปฏิบัติแล้ว ไม่คาดหวงังแบบถึงแม้เราจะมีสมมดอย่างโยมะค่ะยังมี้ี้บัตรเครดิตอยู่แต่ว่าก็พยายามจ่ายไปเรื่อยๆถ้าเราอันนี้มันก็คือตอนนี้มันเป็นทุกข์ที่สุดของโยมแล้วนะคะเพราะว่าเกิดจากเรื่องที่เราขึ้นศาลขึ้นทนายอย่างี้ใช่ไหมคะเราจะมองการวางตรงนี้ยังไงคะพระอาจารย์ก็พำนยานจะข้ความไปเวลไม่เป็นเช่นนเ้นจะบอกไปแล้กัน ใช่ค่ะก็คือก็คือวางเฉยไปถ้าอย่างโยมมีบ้านอยู่ถ้าเราสุดท้ายเราตายไปก็ก็ก็กรมงไป็คือก็คือเราก็ไม่ควรจะเอาไอ้เรื่องนี้มาเป็นทุกข์จนเราแบบไม่ได้อยู่ไม่ได้กันสติปฏิสติมีแบบปฏิสติเลยมีหน้าที่ของพระมหากษัตริย์จไม่มีเจตนาจะจะจะโกงแล้วไม่เสียบ้านค่โยมไม่ได้มีเจตนาอะไรค่ะพระอาจารย์โยมก็ มิขอบคุณด้วยซ้ําที่เขาเชื่อเครดิตเราอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาใช้เอาไปจ่ายค่าทนายค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ยมก็เลยบอกว่าโอเคก็พยายามจะใช้ไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนแรกถูกมากเลยนะคะพระอาจารย์พอเห็นแบบน้องคนนี้ตายไปยมแบบเฮ้ยเขาเพิ่งอายุสามเจ็ดองงามมันเร็วมากเลยยงก็เลยแบบโอเคงั้นเราต้องวางทุกอย่างแล้วแล้วก็มานั่งคุยกับสลินทอนะคะว่าคําพูดที่เราพูดกับเพื่อนในแต่ละครั้งนะ มันจะมีคําว่าอยากกี่ครั้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคําว่าอยากอยากอยากตลอดเลยอะค่ะดี๋ยวมันก็เมื่อกี้พระอาจารย์ก็สอนคนก่อนหน้านี้ว่าเออความอยากมันคือทุกมันเรื่องจริ ง, จ ร, งจริงนะคะอยากอยากมีความสุขอยากไม่มีโรคอยากรวยอยากไม่ไม่เจ็บไข้อยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขมันเป็นอย่างนี้เป็นจริงๆริอะค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทอจริงเราทจริงค่ะค่ะมันก็เจ็บ แก่ก็แก่ตายก็ตายแล้วเราทำไม่ไ้ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเห็นเพื่อนโยมมีอันนี้ขออีกคําถาม น, นะคะเพื่อนโยมเขาดูหนังเกาหลีอะค่ะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับมีคนหนึ่งในในตัวละครนะคะเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ให้เหมือนกับทําอะไรนะคะการลุนนะะ<า>ักฆ่าใช่ค่ะ<า>อันนี้<า>อันนี้ก็คือการค่าตัวตายใช่ไหมคะใช่ มันก็คือบาปอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรายอมผ่านทุกนี้ไปคือให้มันทุกให้ถึงที่สุดจนกว่ามันจะลาสังขารไปดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าดีดีกว่าดี่ามันรุ่นเป็นโสดาบันไดอ๋อใช่ใช่มันเกิดเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่คนบรรลุโสดาบันที่แบบพิจารณาความเจ็บอะไรแบบนี้แล้วคือเหมือนกับในในสมัยก่อนนะคะในสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้อ่า อ่าพระอาจารย์ค่ะก็คือยอมเข้าใจราคานั้นก็วันนี้จะพยายามปฏิบัติภาวนาให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะพระอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ช่วยสั่งสอนอบรมคารวาะพวกเรานะคะให้อยู่ในธรรมะนะคะ อ, อนุโมทนาสาธุนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระอาจารย์ท้าขันแข็งแรงนะคะค่ะสาธุค่ะาไปที่คุณมาริการตอมานิจาร เวลาที่ว่ากลาบนมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค า, เาเนเอา็อันที่นี้โดนกิเิตหลอกอีกแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เคยพูดกับพระอาจารย์ว่าทำได้นะทำใจได้รู้ชอาทันอารมณ์ตัวเองดีนะพอโดนก็เมื่อคืนนแล้วพระอาจารย์ก็ตื่นตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มตื่นห้าครั้ง โอ้มันมันไม่โอเคเลยค่ะพระอาจารย์ในความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะพอ่ออะไขึ้นขึ้นขึ้นอารมณ์มีอารมณ์ขึ้ น, น, น, นแต่พอพอพอตอนเช้าก็รู้ท้าทาันตัวเองบอกว่าพออายุข้าสิบแล้วนะบริการ น, นะก็ซอฟลงก็เลยก็หายไปเลยก็เราว่าโอเคแล้วพยายามที่จะดูว่า คนที่เขาอายุมากพ่อหมืงนกับพ่ออายุเก้าสิบอายุมากแล้วก็ยังหลงลืมบ้างบางครั้งก็ถือว่านั้นก็โอเคอยู่นะพรก็จะรย์ดังนั้นที่เรามาดีใจลูกหลงดีใจนะครับพระอาจารย์ว่าโหหนูเก่งมากเลยเออเก่งมากเลยนะแบบทำได้ขนาดนี้ครัอาจารย์พอโดนเขาจริงๆแล้วแบบมันขัดใจนะพระอาจารย์เนาะความอยากความอยากจะให้ ให้ได้ดั่งใจแบบเราไม่ต้องลุกขึ้นในตอนกลางคืนเยอะถึงขนาดนี้เอาทักครั้ง2อครั้งลุกขึ้นใกล้นั้นก็พอแล้วแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะพรอาจารย์ในจุดนี้ผ้าอาจารย์เทศข้อคิดอย่างไรบ้างคะพรอาจารย์ว่าเราจะมาเตือนสติเราอย่างไรเมื่อเจอปัญหาแบบนี้อีกต่อไปคปฟังพยาครับโดยแกค่ะเบื่อนความจ๊ะ ก็มีแค่ว่าลยากได้ก็ปด้ฉันอยากไม่ได้แค่อยากประหยักมันนั้ไม่ได้สิพ่อพ่อจันเพราะว่าพ่อเรียกอยู่นี้ไม่ได้ต้องหยู่กับมันไปอินบิตามนี้ฮะินบิตามบินบินเกิดไปก็คือหมายถึงว่าการที่ว่าเราจะขจัดความอยากตรงนี้ให้หมดไปนั้นคือเราต้องไปวางอุเบกขาหรือมีจิตเมตตาหรือาะพ่อจันใช่ถูกต้องเลย ในจุดนี้มันจะทําให้เราเรียนรู้ถึงอตัวหนึ่งก็คือไตรลักษณ์ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดทําให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาเราต้อยอมรับมันเราอยากให้มันเป็นอย่างเดิมแต่เราเปลี่ยนไม่ได้เปล่ยนไม่ก็ต้องยอมรับมันไปอยอมหยุดเย็นยอมแล้วก็หยุดตอบรู้หยุดตอบรับนะครับเย็นใจเลย็นสบายแต่สุด เจ้ า, า, าขาค่ะอาจารย์เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเพราะว่าแล้วก็พอก้มันนึกอีกยิ้มกับตัวเองว่าเอาเนะาะครั้งหนึ่งเราขึ้นเขาพอขึ้นเขาแล้วการปฏิบัตกิก็เหมือนกับคุณอาอุสาว่านั่นแหละก็คือการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างเต็มที่ดังนั้นการที่ว่าพ่อตื่นบ่อยถ้าเราไม่หงุดหงิดเมือนเน <c oughs> ่อวืก็สามารถมานั่งทํางานที่ได้ค่ะอาจารย์ ก็คือช่วงประมาณตีสองตีสามลุกขึ้นบางทีก็ช่วงนั้นพอก็ลุกขึ้นต้องปลุกให้ลุกขึ้นพอจะฉีนั้นเอาช่วงโอกาสนั้นค่ะพระอาจารย์มานั่งสมาธิก็คืออย่างน้อยได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็กมาทํากั บ, บข้าวต่อก็ได้โอกาสตรงนั้นอยู่ก็นึก ว, ว่าอ๋อนี่คือบุญและกุศลที่เราทํามาก็มันไม่ได้เสียหลายเจ้าค่ะพระอาจารย ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเป็ น, นปจริงเ่ะมันไม่ได้กนั่งสมาธินั่งง่ายๆนันน่งสมาธิพอเรารู้เท่าทันอารมณ์เราก็จะมีเราจะมีสมาธิในการควบคุมอารมณ์ของเราได้เมื่อเราควบคุมอารมณ์ของเราได้เราก็จะอยู่กับเข้าได้เจ็บทุกข์หรือสุข ออก็อยู่ได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์วาขอบคุณมากค่ะอาจารย์ลูกไม่มีคำถามจะกาพระอาจารย์สาธุ่แงันนี้กังคว้าอะไรม่อกัไม่มอไีไนได้แล้วแบบพัก า, าพระาจารที่ใสนนี้นเขาอยู่ที่กรุงเทพไปเข้ามาแบบน เคยเข้ามาค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะหนไปเป็นปีเลยค่ะแล้วก็วันนี้วันนี้อยู่ๆก็นึกถึงว่าวันนี้วันพุดแล้วก็พระอาจารย์จะเทศในสูงค่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาถาบอาจารย์ค่ะไมีคำถามค่ะไมมีคำถามเลยนะไม่มีคำถามค่ะเป็นหมอจะทักที นมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะม่เป็นอ่ะไปคุณจอยจอยเก่าหอวนตกเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เราเปลียนกันด้านในึ่งเขาหนูที่บ้านหนูก็ตกอยู่ ก็เอหนูเหมือนเดิมก็คือตัวกับคนเดียวเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเรามาคนเดียวเราไปคนเดียวเราอยู่คนเดียวมันได้ไหมหนูห น, หนูหนูมีความคิดว่าภาษาคะถ้าเรายิ่งตัดถนาว่าเราจะไม่เกิดอทุกแบบเขาเรียก อ, อะไรอะ่ะแบบปัญหาเราจะเยอะมากกว่าคนอื่นมันเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเลยม <c oughs> ันยางจะได้ลงไปเพราเราไม่ยู่งกับใคร เราต้องไม่สนใจอะไรใครเลยได้สินงอ่างั้นนี่ียว่าเราไม่เหมือนเราแล้วกันนี้มันจะให้เขามองว่าเราอยู่ในเขาไม่ได้นะเราต้องยอมแล้วตอนเราแปลกแนละ้วแปลกจากเขาไปแล้วไปคนละทางแล้วแต่เราใช้ชีวิตด้วยกันมันก็ดูขัดแย้งกันอยู่น ะ, ะ้วค่ะก็ต่อไปก็ต้องแยกทางกันไป ไม่รู้ว่าสัรยากก็ยังช่วยกันไม่ได้นนเพราะว่าหนูปฏิบัติแล้วเขาไปอีกทางหนึ่งเลยอ่ไรอย่างเง้ยต่อไปก็ย้องแยกทางไปต้องเสียใจอะไรต้องยิงวางเลยต้อ ง, อาอ ง, ง, ง, อง ว, วางไปไม่อพอเราทานจนถ้าถ้าถ้าหนูจะสำเร็จคือหนูต้องต้องไม่รู้สึกอะไรเลยใดๆใช่ไหมคะต้องไม่ทุกข์กับอะไรไทุกอย่างที่เข้ามาหน้าหน้า สุกก็สุกก็ไ <minority> ม่ไม <Hi> ่สุกทุกก็ไม่ทุกใช่ไหมคะไม่เท่ากับสุกไม่เท่ากับไม่เท่ากับทุกไม่เท่ากับอะไรอย่างนั้นสุกก็ไม่ดีใจทุกก็ไม่เสียใจไม่เฉยอืหนกหนูพยายามทําอยู่ก็มาหังก็ได้มาหังก็ไม่ได้แต่ว่า ก็ได้อยู่บางทีมันก็เฉยๆกับคนอมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยค่อยสอดสับไปไม่ใช่ทำให้ทุกข์มานเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเจอแต่ทุกข์ตลอดเลยมันมันรู้สึกว่ามันมันก็เลยทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะแบบต่อล้อต่อเสียงกับใครอ่ะค่ะแล้วก็อย่าไปทุกข์กันน้ําก็เฉยๆไปแต่ในความทุกข์มันก็ยังมีแบบยังมีความดีที่ว่าเออยังยังหาเงินได้ยังเลี้ยงลูกได้อะไรอย่างเงี้ย ทำไมมือันก็ไม่ต้องเล่นเลยนะฮะแต่หนูก็มันก็ไม่ไม่มีความท้อนะคะถึงแบบทําคนเดียวก็ไม่ได้ท้อมัน ม, มันแดงพลังอะไรก็ไม่รู้อยู่ในตัวค่ะจ้ะนี่มีทุกมากนี่มีมีบางอมีมากมีปัญญาอ่ะฮะก็มีอย่าไปตัวทุกทุกเป็นเห็นหน้าปัญญา ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะสุขหรือจะทุกข์ไม่ต้องกลัวกันเลยต้องไปเจอต้องสู้กับมันให้ได้ค่ะได้ด้วยด้วยธรรมะดอวยด้นยด้วยระเบิดพลาได้ค่ะได้ค่ะด้วยปัญญาค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาหนูไปใส่บาตเหมือนเดิมนะคะวันวเนวันจันทร์ที่ค่ะบับเพาะาวันจันทร์กันเป่ ไม่เป็นไ่อสกุญ่าแต่ไม่ตา ย, น, ตายน้ำเกล็ดในมรดกค่ะพระอาจารย์เข้ามามฟังธรรมค่ะฝนตกเท่าไ่บ้ีนอาจารย์นฝนตกค่ะไม่นหนัไม่แรงนุนไม่ได้ตกหนักค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ก่อนฝนตกก็มีลมแรงแค่นั้นเองแล้วก็พอลมไปก็มีฝนนิดเดียวตกแตะค่ะค่ะนิดเดียวค ค่ะหนูไม่ตกตกหน่อยเดียวค่ะก็เข้ามาค่ะเข้ามาฟังธรรมกับท้าอาจารย์แล้วก็ฟังเพื่อนๆในโซมะค่ะอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าค่ะนั่งจะมาไม่อยู่หรือบปน่านั่งมาไม่งมาค่ะสองอาทิตย์แล้วค่ะอาจารย์ไปไหนไม่รู้ Yeah, yeah. ถึงเข้าไปทำงานไปทำงานสายด้วยแล้วก็เลยแบบไม่ไม่มีเวลากลับมาก็ทำนูน่นทำนี่ก็ดึกดึกดึกก็ไม่ได้ทำแล้วอาจารย์ช่วงนี้ก็หยันหยอนไปนิดหนึ่งไม่นิดละคะ่ะเยอะเลยถอยพยายามพยายามอะไกลับบ้านค่ะก็ยังแบบวันนี้ก็ยังว่าอยู่ว่าเออนี่จะเข้าดีไม่เข้าดีเพราะว่ามันเลยเวลาไปแล้ว ก็ลองเข้าดูเผื่อได้เข้าแล้วก็ฟังข้างนอกก็พอดีว่าเอ๊สงสัยกำลังบนอยู่ว่าสงสัยวันนี้ไม่ได้เข้าละโอ๊ยอาจารย์เรียกเข้าพอดีขอบคนแอดมินนะคะโชคดีได้เจอพระอาจารย์อยู่ยังยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ได้หลุดขคจรอนคะะนอ่ะพะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์มารับพลังม า, มารับพลังพยายามสู้ต่อไปนะ เจ้าค่ะผอาจารย์กลับควับพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ แ, แ, แ, แม่กลับแม่ดีใจนักจักดังไรคุณจารย์คุณไอ้าลูกไม่มีคำถามเจาค่ะไอ้จที่เป็นตัวเป็นตัว น, น้องชายไห น, ปนไปเต็มทานซานเมื่อไหร่เนี่ยกลับมามืสักการคุณจารย์เจ้าค่ะเต็มซานซานอไหรเนี้นนยยงค่ะ น, น้อจ๊ ได้เายคําฟังค่ะคุณสาทําให้เจ้าค่ะอืมสติหลุดนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์อืมมีคนวางพึ่งเราแ ล, แล้วเราช่วยเขาไม่ได้กรรเป็นของตนเราก็ช่วยเขาไม่ได้เลยมีความทุกข์นิดหน่อยว่าไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เห็นอยเาเร า, เราพยายามเดินพี่แล้วเจ้าค่ะทำ ไ, ไม่ได้ทไม่ได้เราช่วยไ่ไค่ะแล้วสติมก็หลุด ทุกไปนิดหน่อยแต่ก็กลับมาบอกไปว่า ก, กรรมเป็นของตนเรายังช่วยไม่ได้แต่เราคงไม่เห็นแก่ตัวโอเคนะสบาะใจไม่โอเคครับอย่าไปโทษกันค่ะเรามันมีความทู่ว่าเออเพื่อนๆก็ทุกกันเยอะเราเข้าใจความทุกข์แต่ว่าเราช่วยยังไม่ได้ก็ได้แต่ขอโทษเขาค่ะค่เะเวลาที่เราทุกข์เราขอช่ว ย, เ, ยวเราไม่ได้ก็มุนกันค่ะยังไง ค่ะอือตอยงยอมรับว่าบางทีมันเรื่องขอ ง, งกรรมใช่ค่ะที่เราต้องชดใช้ใชเช่่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาที่เราต้องชดใช้ใชและไม่มีใครช่วยเอยาอได้เจ้าค่ะแล้วเขาเห็นว่าเราผ่านไปได้เขาก็เริ่มมาพึ่งเราเยอะเราก็เลยบอกว่าเราก็พึ่งผ่านมาได้ก็เลยยังช่วยไม่ได้อ ก็เลยสติเลยหลุดจุดนี้นิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เอาจุดไหนมาทําให้สติเราแข็งแรงมากขึ้นคะก็ทําบ่อยๆอยนั่งสมาธิบ่อยอ๋อค่ะสมาธิแล้วก็เวขาใช่ไหมได้มันนั่งสมาธิคือได้มัเบ็นก็เดี๋ยวางเฉยได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระอารย์ค่ะโอเคนะที่เป็นทูพีทำทูพี กรรมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นไงสบายดีไหมสบายดีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสองวันที่แล้วหนูเกือบไม่รอดค่ะพระอาจารย์สำลักอาหารค่ะจนน้ต้องกู้ชีวิตขึ้นมาใหม่ค่ะอาจารย์อหนูก็เลยได้มีโอกาสสัมผัสเลยค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับมีปัญหาเกี่ยวกับการสำลักอาหารค่ะพระอาจารย์ ไม่รู้ตัวเลยนะคะเอนตัวลงเลยค่ะแบบไม่รู้ตัวไม่ไม่รู้สึกทรมานร่างกายเลยค่ะพระอาจารย์เลยได้ประสบการณ์ตรงนี้แหละค่ะพระอาจาย์เลยได้ประสบการตรงนี้แะค่ะพระอาจารย์้บตนีลค่ะพระอาจารย์เตนะค่พระอาจาย์เลยไ้นตะสมางนหะคะพระอาจารย์เขาไปะส่รงหนะ่พาไปโบารงลค่ะพยาไบานลค่ะพระอาจารย์หลไ้ประสาร์นี้หล่ะระลดส์ติแล้วค่ะแเละสบต้ค่ะอกทุกคนว่า หนูไม่ไปหนูจะไปพม่าค่ะพระอาจารย์จะไปใส่ชุดทออีกค่ะโอ้หนูมันยังสติยังมาไม่เต็มที่เลยค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วสักพักต้องไปนั่งพักถึงกลับมาปกติค่ะพระอาจารย์เนียเอาว้เลยจะเปลี่ยนตำมด้ ใช่ค <c oughs> ่ะพ ร, ระอาจารย์ก็เลยแบบโอได้เห็นเหตุการณ์ตัวเองเกี่ยวกับสำลักอาหารนะคะพระอาจารย์ถูกไม่ตกใจไหมไม่คะ่ะเฉยๆเลยค่ะพระอาจารย์มีแต่คนรอบข้างร้องไห้ค่ะพระอาจารย์นึก <c oughs> ว่าจะเสียหนีไปอย่างเงาี้ยค่ะพระอาจารย์สนูกกับรู้สึกว่าอุท่าถ้าเสียก็ดีใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะมันไม่รู้สึกอะไรกับร่างกายค่ะพระอาจารย์ จริงๆค่ะอันนี้ก็ก็ลุยปฏิบัติเาาารื่อยๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันไม่อะไรกับร่างกายจริงๆนะคะ<ม>พระอาจารย์หนูก็เลยแบบอยู่แต่แบบผ่าตัดสมองแล้วก็แบบนี้แหละค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมองว่าเอ๊ะทาไมหนูยังไม่ทิ้งกายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทิ้งไม่ง่ายหรอต้องบันทึกเองเราไม่เอาไปทิ้งมันโอ้ค่ะพระอาจารย์เราดูแลมันไปเจ้าค่ะดูแลเปนอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกัแลแลน เจ้าคะ่ะพระอาจารย์เลยได้เป็นประสบการณ์เลยคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะขอบคุีนะเจ้าค่ะใครที่เป็นนองรุ่นน้วยที่เรียนพอไปจำมาถ้าได้หนอ ย, ยังไม่ได้เปิดไม่เปิดไม่มาเปิดแล้วมั้งครับโอเคเป็นยังไงบ้างที่นี่ ก็ผมมาอยู่ตอนนี้อยู่ประเทศออสเตรียครับอาจารย์เรายังเข้ามาได้นะเข้ามาได้ครับ อ, นนอันนี้เป็นตอนบ่ายใก้ตอนเย็นแล้วตอนนี้น <ะ S 2> เป็นเชี่ครับอาจารย์อช้ากว่าประเทศไทยห้าชั่วโมงครับอตอนนี้ประมาณบ่ายห้าโมงครับอาจารย์ครับวันนี<ม>ท้ทำงานทำงานเสร็จแล้วเสร็จแ้วครับผมผมก็รีบประชุมให้เสร็จก่อนครับอาจารย์มาที่นี่เป็นประชุมนานาชาตินะครับแล้วก็ตอนที่เวลาเข้า ผมก็มาเข้าทั้งหลายในห้องประชุมเลยแล้วก็ดีนั่งรถไฟกลับมาถึงบัดีครับก็ฟังมาตลอดทางครับผาาู้าวุโสต้องเดินทางอย่างที่ประชุม้วยรถไฟไหมเดินรถไฟกับพู้อาวุโสไปรถไฟไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับวันใดนะครับไก่กับผู้อาจารยวุับไม่ได้ไม่ได้พักหยุดที่ที่ที่ประชุม ใ, น ใ, นในช้ไหมที่ประไมเป็นเป็นต้องพักโรงแรมครับผู้อาวุโสเราเราเป็นเราเป็นอผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนประเทศไทยเราก็ต้องมาพักที่ พักที่โรงแรมกับอาจารย์โรงแรมไม่ได้จะมีประชุมให้มีมีเนเลี้ยไม่ไม่มีครับอาจารย์คือเดี๋ยวนี้ยที่ออสเตรียที่เวนนาครับคนมาประชุมเยอะมากเลยครับเป็ น, เ ป, นเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติเขายกระดับเอเมืองหลวงอนะครับแต่ของผมมาเรื่องปรามณูครับพระอาจารย์ปรามาณูเพื่อสันติที่เอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้นะครับอเอามาใช้ในหลายๆด้านในประเทศไทยครับอืมครับพระอาจารย์ โรงแรมสำคัญนะโรงแรมเวียวนนาเราไม่พออยู่ไม่พออยู่กับพ่อจรย์ผมต้องมาพักไกลออกมาพอสมควรเลยครับจริงๆมันก็โรงแรมก็มีคนมาพักเยอะมากครับคนประชุมหลายพันคนนะครับพ่อจ่านครับยอยู่ชั้นเมืองอยู่ยตแต่ออกมาทางนอกเมืองเวียนนาครับพระอาจารย์เดย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับไปใหม่พรุ่งนี้ต้องนั่งรถไฟไปใหม่ครับ แล้วก็ได้กลับวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็บินกลับแล้วครับมาหนึ่งสัปดาห์ครับพระอาจารย์ที่ได้โอกาสได้ไปเที่ยวดูอะไรบ้างพอผมไม่แล้วครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากไปเที่ยวครับผมก็แบบลูกน้องจะพาไปผมก็ว่าเออผมไม่เดี๋ยวนี้มันไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปทําอะไรครับพระอาจารย์ผมก็กลับห้องมานั่งสมาธิครับดูดาวนั่นดีกว่าเยอะเลยครับครับแล้วก็สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ ที่กับเรียนพระอาจารย์ว่านั่งครึ่งชั่วโมงสองครั้งจากครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเป็นครึ่งชั่วโมงสครั้งเป็นหนึ่งชั่วโมงสัปดาห์นี้ผมบางวันนั่งได้สองสามชั่วโมงเลยครับก<ม>็แบบเป็นช่วงๆนะครับพระอาจารย์แต่ว่ามันเข้าถึงความสุขสงบ ท, ที่เป็นผมเข้าใจว่าเป็นคณิกะแล้วพระอาจารย์ก็เบาสบายมีความสุขเลยครับเข้าได้หลายครั้งแล้วครับสัปดาห์นี้ครับผมก็พอถึงจุดหนึ่งผมตั้งใจว่า ต้องเข้าถึงอปปนาสมาธิให้ได้แต่ไม่ไปอยากมันนะครับพระอาจารย์ก็คือทําทําทําพุโทโธพุโทโธตลอดเวลาครับวัวพุโทโธไปไแล้วครับแล้วผมตื่นเช้ามาก็ปฏิบัติแบบที่พระอาจารย์บอกเลยครับเช้ามาผมตื่นรู้ตัวก็พุโทโธเลยครับพุโทโธกับสวดมนต์มีเท่านี้นะครับคือผมจะนั่งสวดมนต์ตอนเช้าก่อนประมาณชั่วโมง ก, กว่าครับพอสวดมนต์ชั่วโมงกว่าเสร็จก็นั่งสมาธิครับพระอาจารย์ ก็นั่งสมาธิวันหนึ่งนั่งได้หลายรอบมากครับแล้วก็จะมีความสุขว่าเอ๊ะไม่อยากไปไปทําอย่างอื่นแล้วครับอาจารย์ผมว่างจากงานนี่ผมก็นั่งสมาธิเลยหรือว่ามผมก็พุทโธนะครับคือทําอยู่สามอย่างครับคือนั่งสมาธิสวดมนต์พุทโธทํ<ม>าอยู่แค่เนี้ยครับอาจารย์ครับแล้วครับแล้วก็มีความสุขแบบที่ไม่น่าชื่อครับอาจารย์มันมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับอาจารย์<ม>แล้วก็ตอนนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนเนี่ยหูก็จะได้ได้แว็บเนี่ยยากมากเลยครับพระอาจารย์ตอนเนี้มันมันเหมือนที่พระอาจารย์บอกครับมันไม่ทีได้ถึงขนาดแบบลงไปลึกๆหรือตกตึกแต่มันลงเหมือนกับเราลงลงบันไดครับพระอาจารย์ครับไม่ค่อยๆลงไปอ่ะครับครับไม่ได้ว่าตกตึกหรืออะไรขนาดนั้นนะครับครับอาารย์ผมก็ตั้งใจว่าเออผมเชื่อมั่นว่าถ้าเ ร, ราตั้งใจทําไปเรื่อยๆ มันจะต้องเข้าถึงจุดที่เรียกว่าอัปนาสมาธิหรือความสุขสงบที่มากขึ้นได้ครับแน่อนอนครับอตอนนี้ผมก็เรื่องศรัทธาเนี่ยเต็มที่ละเรื่องวิริยะก็ทําได้เต็มที่ก็เหลือสติสมาธิปัญญาผมก็จ ะ, จะเจริญสติตลอดกับสมาธิตลอดกับพระอาจารย์ครับและก็รักษาศีลก็ไม่ดูทรทัศน์ไม่ดูแทบไม่ดูข่าวเลยอาจารย์ยกเว้นเราจําเป็นจริงๆก็ เปิดเข้าไปดูแบบเพื่อเอามาใช้ทํางานนะครับทอร์ทัตไม่ดูแต่งตัวไม่แต่งไม่แต่งตัวครับแต่ว่าเข้าอาหารเย็นเนี่ยยังทานบ้างยังต้องทานบ้างเพราะว่าบางทีร่างกายมันผมก็พยายามแบบก็ใช้ได้ครับนอนที่นอนก็นอนพื้นแข็งแล้วครั บ, ร น, บนอนบิดบิมีบางๆางปูครับ ค, ครับโอเคไม่เป็นไรต้องใจจังน้เวลาหมดนะ ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมมาพบสัปดาห์หน้าครับขออาจารย์พาดผ้าแข็งแรงนะครับเป็นความอะไรลองสุดท้ายแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรอมีมีเพิ่มเติมนิดหน่อยคือเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้ น, นะคะ่ะเคยเรียนพระอาจารย์ว่าการที่เป็นทํางานตามตําแหน่งต้องตัดสินพนกักงานบางคนที่ไม่ได้กระทําผิดนะคะแล้วเรารู้สึกว่าใจเราแกว่งมารอบนี้ค่ะ เมื่อวานนี้เองค่ะเพิ่งจะตัดสินพนัก ง, งานที่กระทำผิดค่ะแต่ว่าใช้หลักเมตตาค่ะในการที่สอนเขาไปว่าในการในการที่จะต้องทํางานในอนาคตต้องทํำยังไงมันนึกถึงคําที่อาจารย์พระอาจารย์สอนนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงก็ทําให้จิตใจมันเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นที่เคยบอกพระอาจารย์ไ ว, ว้ว่าว่ารอบนี้ปีนี้จะทําอะไรตั้งใจทําอะไรปีนี้ทั้งปีหนูก็จะคลองสติให้มั่นค่ะ ราอาจาค่ะกลั<ส>ขอบ<ส>คุณค่ะไปให้คนหลัมีคถามไหมคุณหลากราบนมาสการค์ครพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัสการ์พระอาจารย์ครับผมเห็นคนที่รู้จักเขาบอกว่าเขาอยู่ในบ้านไม่ออกมาใส่บาตรเพราะให้คนอื่นออกมาใส่แทนผมขอสอบถามว่า การไปใส่บาตรหรือการไปทำบุญต่างๆโดยตั้งใจไปด้วยตัวเองกับฝากคนอื่นไปมีผลบุญหรืออนิสงส์ที่แตกต่างกันอย่างไรไหมครับฟังมาเล็กน้อยบุญที่ได้จากการเสด็จจะเท่ากันแต่บุญที่ทำความเพียรนี่ไม่เท่ากันคนที่ไปวัดไปใส่เงินก็มีบุญที่เกิดสาบการทำความเนียแต่คนที่ฝากไปก็จไม่ได้บุญนี้ คำถามต่อไปที่ต่างจังหวัดมีชาวบ้านบอกผมว่าช่วงนี้มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระทำให้คนออกมาใส่บาตรน้อยลงพระมีอาหารไม่พอฉันจะทำอย่างไรให้คนมีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาไม่คลอนคลนตามข่าวที่ออกมาครับก็ต้องใช้เหตุใช้ผลทำอะไรก็ต้องมวิเคราะห์ก่อนไม่ใช้อารมณ์ มีสามคำถามจากคุณโสพลกราบน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์คำว่าพุทโธกับ enfin, ยุบหนอพองหนอจะให้ผลต่างกันไหมครับมีหลักในการเลือกคำภาวนาอย่างไรดีครับไม่ไม่ต่างกันหรอกแล้วแต่เราเราชอบแบบไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นก็งการเดินจงกรมแบบช้า <To S 1> <Okay. S 2> ขวาย่างหนาซ้ายย่างหนอกับแบบที่เดินเร็วเราควรเลือกแบบใดแบบหนึ่งไหมครับก็แล้วแต่เราอีกหมดถ้าเราถ้าเดินช้ า, นนามันมีเสถดีก็เดินช้าได้แต่ถ้าเราเดินช้าแล้วกับเดินเร็วมันก็เท่ากันแล้วก็เดินตามปบบผสุก็ได้เดินเร็วก็ได้คำถามสุดท้ายการนั่งกรรมาฐานหรือการเดินจงกรม หากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่มีเวทนาทางกายจากความปวดเมื่อยหรือเหน็บชาการเปลี่ยนอิเลียบทเพื่อให้ใคลายจากความปวดเมื่อยหรือเลือกที่จะต่อสู้กับความเจ็บปวดทางเลือกไหนดีกว่ากันครับอ๋อถ้าสู้กับความเจ็บปวดได้ก็จะดีกต่ถ้าเราไม่สู้เรามาถึงมาถึงจุดนี้ทีไรเราก็จะหา็ดีอ่าอย่างน้น ปฏิบัติถ้ามันผ่าจุดนี้ไปได้เราก็ต้องสู้กับทุกขเวทนาะนะอรับให้ทุกขเวทน า, น, านั้นมันมาไม่ได้เลยคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาขึ้ น, นหมดพอดีสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำมาแสงที่ทานได้ยินได้ฟังไปที่นิสิเจรนะิไปปฏิบัติเรื่อคงความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งตื้นใจเิน